วันอาทิตย์ที่แปดมิถุนายนพศ2540เป็นการบรรยายพระสูตรในสังยุตติกายเรื่องปฏิจจสมบทบาทโดยอาจารย์สุเทพโพธิสัตธ์าท่านสาธุชนที่เคารพวันนี้มีเอกสารแจกค่อนข้างเยอะหน่อยก็มีสูสิมาสูตรซึ่งมีความหนา แต่หน้ากระดาษแล้วก็มีอภิธรรมอีกสี่หน้าแต่ว่าอภิธรรมนั้นยังถ่ายไม่เรียบร้อยก็เลยขอเปลี่ยนเอากระสูรมาบรรยายในช่วงแกรกอภิธรรมบรรยายในช่วงหลังเมื่อเอกสารมาถึงแล้วนะครับสาหรับพระสูรนั้นในวักที่เจ็ดเนี่ยยังเหลืออีกสองสูรก็มีสูรที่เก้า ซึ่งแจกเอกสารไปแล้วเมื่อคราวก่อนแต่ว่าไม่ได้บรรยายแล้วก็สู่รสิมาสูตรซึ่งเป็นสูตรที่สิดสูตรสุดท้ายของวักนี้เนื่องจากว่าสูตรที่เก้านั้นมีเนื้อหาก่อนข้างจะสั้นก็จะอธิบายก่อนเป็นเบื้องต้นเข้าใจว่าจะใช้เวลาไม่มากนักแล้วะสูตรที่เก้าหรือเจ็ดจุดเก้าเนี่ย มีชื่อว่าอุปปยะูตรอุปปยะโสณก็แปลว่าความเกิดขึ้นเรื่องความเกิดขึ้นอุปปยะนั้นเป็นอีกศัพท์หนึ่งที่แปลว่าความเกิดขึ้นแต่คําว่าเกิดขึ้นในที่นี้ท่านหมายเอาความเกิดขึ้นของน้ำความก็คือน้ำที่เออขึ้นในทะเลเป็นต้น ในทะเลในแม่น้ําใหญ่แม่น้ําน้อยแล้วก็บึงหนองต่างๆธรรมดาน้ําเมื่อเกิดขึ้นที่ทะเลจนล้นฝั่งมันก็จะไหลกวามจริงนะ้ำแม่ไม่ล้นฝั่งมันก็ไหลอยู่แล้วให้มันขึ้นได้ระดับสูงก็จะไหลเข้ามาสู่แม่น้ําใหญ่จนกระทั่งแม่น้ําใหญ่นั้นน้ําขึ้นมากก็จะไหลไปสู่แม่น้ําน้อยแล้วก็ไหเลเรื่อยลงไปตามลําดับ และในทํานองเดียวกันเวลาน้ำลงก็จะลงโดยลำดับโดยลำดับมาคือพอน้ำในมหาสมุทรป่องแม่น้ำใหญ่ก็เริ่มปล่องก็ไหลกลับเหมือนอย่างที่เราเห็นน้ำขึ้นน้ำลงในกรุงเทพโดยในจังหวัดที่มีลักษณนี้ใกล้ทะเลขึ้นขึ้ น, นลงลงทุกทุกวันให้เห็นเนี่ยครับก็เป็นลักษณะอย่างนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงเอาความเกิดขึ้นของน้ำโดยลำดับโดยลำดับ แล้วก็ความลงของน้ําโดยลําดับโดยลําดับมาเป็นเครื่องอุปมาเปรียบเทียบเหมือนกับวัตจักรของชีวิตหรือเหมือนกับปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทแต่ละองค์แต่ละองค์แต่ละองค์นั้นเหมือนกับแหล่งน้ําแต่ละแหล่งแต่ละแหล่งทั้งสิบสิบสององค์เนี่ยครับโดยมีอวิชาเป็นเหมือนมหาสมุทรที่เมื่ออวิชาแก่กล้าอาวิชามีกําลังมากอาวิชาหนามากก็จะค่อยๆไหลล้นลงมาสู่สังขาร โดยลําดับไปจนกระทั่งถึงชาชาาราหมรณะเป็นลําดับอย่างนี้ก็จะให้ดูเนื้อความืตามในพระสูตรที่ท่านได้ตรัสถึงเมื่อพระผู้มีพระภาคประทับที่เชตาวันมหาวิหารได้ตรัสแก่พิสูจทั้งหลายว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเมื่อมาหาสมุทรน้ําขึ้นย่อมทําให้แม่น้ําใหญ่น้ําขึ้น เมื่อแม่น้ำใหญ่น้ำขึ้นย่อมทำให้แม่น้ำน้อยน้ำขึ้นเมื่อแม่น้ำน้อยน้ำขึ้นย่อมทำให้บึงใหญ่น้ำขึ้นเมื่อบึงใหญ่น้ำขึ้นย่อมทำให้บึงน้อยน้ำขึ้นชั้นใดเมื่อวิชาเกิดย่อมทำให้สังขารเกิดเมื่อสังขารเกิดย่อมทำให้วิญญาณเกิด เมื่อวิญญาณเกิดย่อมทาให้นามรูปเกิดเมื่อนามรูปเกิดย่อมทําให้สลายยตนาเกิดเมื่อสลายยตนาเกิดย่อมทําให้ปัสสาะเกิดเมื่อปัสสาะเกิดย่อมทําให้เวทนาเกิดเมื่อเวทนาเกิดย่อมทําให้ตัณหาเกิดเมื่อตัณหาเกิดย่อมทําให้อุปาทานเกิดเมื่ออุปาทานเกิดย่อมทําให้ภพเกิดเมื่อภพเกิดย่อมทําให้ชาติเกิดไม่ชาติเกิดย่อมทําให้ชราและมรณะเกิดฉันนั้นเหมือนกันนี้ก็เป็นข้อเปรียบเทียบ ซึ่งผมจะไม่อธิบายลงไปในความที่เป็นอุปมอาอีกขอต่อไปถึงเมื่อธันตรัสตือน้ําลงตลัแว่าดูก่อนวิสุทธิหลายเมื่อมาหาสมุทรน้ําลงย่อมทําให้แม่น้ําใหญ่ลดลงเมื่อน้ําใหญ่ลดลงย่อมทําให้แม่น้ําน้อยลดลงเมื่อแม่น้ําน้อยลดลงย่อมทําให้เบึงใหญ่ลดลง เมื่อบุงใหญ่ลดลงย่อมทำให้บุญน้อยลดลงฉันใดเมื่อวิชาไม่เกิดย่อมทําให้สังขารไม่เกิดเมื่อสังขารไม่เกิดย่อมทําให้วิญญาณไม่เกิดโดยลําดับไปจนถึงเมื่ออุปาทานไม่เกิดย่อมทําให้ภพไม่เกิดเมื่อภพไม่เกิดย่อมทําให้ชาติไม่เกิดเมื่อชาติไม่เกิดย่อมทําให้ชราและมรณะไม่เกิดฉันนั้นเหมือนกัน เ, เรื่องเกิดเรื่องดับเนี่ยความจริงก็สามารถจะอธิบายเป็นเรื่องราวได้อีก ส่วนหนึ่งแม้ว่าเราจะได้เคยพูดปราบปรายมาโดยลำดับแล้วแต่ว่าประเด็นนี้นะผมจะเก็บเอาไว้สรุปเมื่อเราพูดถึงปฏิจจสมุปบาทครบทั้งหมดทุกวักแล้วคือยังมีอยู่อีสองวัตรซึ่งก็คงจะใช้เวลาบรรยายสักสามอาทิตย์แล้วก็จะสรุปปฏิจจทั้งโดยรูปแบบโดยประการต่างๆที่เป็นหลักสำคัญสำคัญเนี่ยอีกครั้งหนึ่งแล้วเราจะผ่านมีฐานทางยุทธ แล้วก็จะไปต่อในเรื่องธาตุสังยุตที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเกี่ยวกับเรื่องธาตในพระพุทธศาสนาไว้ประมาณอีกสามสิบเก้าสูตรเป็นสังยุตใหม่ซึ่งก็จะเริ่มต้นอธิบายศึกษากันต่อไปเอาละครับสิ่งที่ผมอยากจะพูดในสุตรนี้เี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของถ้อยคำท่านสังเกตว่าอุปะยะ ที่แปลว่าขึ้นและในคําว่าลงบาลีในสูตรนี้อาจารใช้คําว่าอุปะยะแปลว่าลงมันก็มีค่ามีความหมายคล้ายๆดับนะเป็นไวโพ์เหมือนอย่างอุปาธาที่แปลว่าเกิดก็เป็นไวโพสของอุปยะเลยอุปัจยรูปรูปเกิดก็เป็นอีกอี ก, อกรูปหนึ่งของคําว่าเกิดแล้วก็พังคะที่แปลว่าดับก็แปลว่าดับเหมือนกัน ในภาษาบาลีเนี่ยเราจะพบคำคล้ายๆกันเนี่ยอย่างเช่นคำว่าอายะผมจะเขียนเป็นคำเทียบให้ดูนะอายะอาเจยะก็มีก็มีความหมายไปลักษณะเกิดเหมือนกันแล้วก็อุปยะที่เราพบในสูตรนี้ก็จะมีคำที่เป็นคำ ตรงกันข้ามกันเวลานะท่านท่านตรัสอย่างเช่นว่าอายโกศนความฉลาดในความเจริญเจริญก็คือเกิด่ะ ท, ทําสิ่งดีให้เกิดขึ้นแล้วก็อปัจายะอปายะโกสนความฉลาดในความเสื่อมรู้อะไรเป็นความเสื่อมแล้วก็อุบายโกศนความฉลาดในอุบายก็เป็นเป็นอีกคำเดี๋ยวพูดให้ฟังนะฮะอันนี้ผมกําลังจะจดสักให้ดู มีคำว่าสัะพจยะก็แปลว่าอเสื่อมเหมือนกันอย่างเช่นว่าในคำพีที่หนึ่งคำพีมรติกามีคําว่าอาจยะคามีแปลว่าทางที่ทําให้สังสารวัฏเกิดหรือปฏิปทาด้วยการปฏิบัติหรือกรรมนะฮะอย่างเช่นว่าเราทําโลกีกรรมเนี่ยทั้งกุศลกรรมทั้งอกุศลกรรมที่เป็นโลกีชื่อว่าอาจยะคามีเพราะเป็นกรรมที่ก่อสังสารวัฏ คือทำให้สังสารวัตเจริญแล้วก็ตรงกันข้ามมัคคุุศลเนี่ยท่านเรียกว่าอปาจายาคามีแปลว่าเป็นกรรมที่ไม่ทำให้สังสารวัตเจริญไม่ทำให้สังสารวัตเกิดเอาความวัดดับสังสารวัตก็เป็นคำตรงกันข้ามกันเป็นคู่ๆู่แล้วก็ในสูตรนี้เป็นอุปะยะ อัปยักก็ตร ง, งกับคำก็ดีและในปริเชษหกที่เราเรียนเรื่องรูปมามีคําว่าอุปปัจยารูปในกอสนมีคําว่าอุปายกสอสนะก็ไม่รู้ว่าจะอยากฟังหรือเปล่านะเรื่องภาษาอตามในสูตรนี้เขาเรียกว่าอในข้อที่ว่าน้ําลงเนี่ยใช้คาว่าอัปยัต น้ำขึ้นเนี่ยว่าอุปะยะชื่อสุดทันเรียกโดยอำ น, นาจของน้ำขึ้นใน <c oughs> นี้คําำใกล้ ย, ยกันเนี่ยว่าอายะแปลว่าความเจริญอย่างเช่นอายะโกศนความฉลาดในความเจริญว่าอะไรเป็นความเจริญแล้วก็ตรงกันข้ามกันคืออภายะโกศนเป็นชื่อว่าอภัยภูมิก็เรียกว่าอบายเป็นภูมิที่ สัตไปเกิดเรื่องอำนาจของความเสื่อมไปเกิดที่นั่นแล้วก็เสื่อมเสื่อมจากความสุขเสื่อมจากความเจริญในธรรมอายะยะที่บาทีปแปล ว, ว่าก่อก็คือทําให้โลกิยกรรมบุญและบาปอย่างที่เราทำํำทำเนี่ยก่อพบก่อชาติก่อนามก่อรูปเรียกว่าอายะยะเรียกว่าอาจจะเรียกในอาญ ย, ร ย, ก, าายกรรมก็ได้แต่ว่า ไอ้กรรมตัวนี้ในภาษาคัมภีร์ใช้ว่าคามีคามีก็หมายถึงทางดำเนินหรือปฏิปทาตรงนี้แปลว่าเจริญเหมือนกันนะะมีความหมายว่าเจริญเหมือนกันแล้วก็ตรงกันข้ามคืออ ป, ปัจยะอ ป, ปัญญกรรมหรืออ ป, ปัญญะคามีก็คือมักคกุศลที่บางทีเราเรียกว่าโยตาคามีนีกุศลนะกุศลที่ถอนวันตะสงสาร ทำตรงกันข้ามกันแล้วก็อุปะยะกับอัุปะยะัในสูตรนี้ก็แปลว่าเจริญหรือขึ้นแต่เป็นน้ําน้าเจริญก็คือน้ําขึ้นน้ําเสือ่อมก็คือน้ําลงไม่ไม่ได้แปลว่าน้ําเน่าในที่นี้นะทนี่อุปไปจัจจะย่าอย่างอุปัจะยรูปรูปเกิดอุปัจจะรูปสันตติรูปรูปสืบต่อชรลตารูปรูปโสม ใกล้เสื่อมแล้วก็อาอนิจจารูปรูปดับขนาดดับของรูปนั้นขณะเกิดเรียกว่าอุปจิยะเท่ากับอุปาทาแล้วก็ชัดอานิจจตาเนี่ยเท่ากับพังคะขณะนี่ในในาวิเชตุกอุปจยิยารูปรูปเกิดทีนี้อุปายะอุปายะก็ราต้องมีแต่ละอุปมันมาจากคาอุปาอายะ อาญาแปลว่าความเจริญไอในภาษาไทยเรามาเรียกว่าอุบายเนี่ย อ, อาญาแปลว่าความเจริญอุบายนี่แปลว่าใกล้หรือเข้าไปหรือนําไปสู่มันอุบายนี่จึงหมายถึงสิ่งที่นําไปสู่ความเจริญเรียกว่าอุบายอุบายนี่มีอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเครื่องแก้อะไรอะไรนี่ยมีอยู่ทีนี้ถ้า บุคคลมีความรู้ในอุบายนั้นก็เชื่อเป็นผู้มีโกศลในอุบายนั้นเหมือนว่าโรคเอสดเนี่ยความจริงมันคงมียารักษาอยู่แต่มนุษย์นั้นยังไม่มีโกศลในยานั้นยานั้นก็เป็นแต่อุบายมีอยู่แต่ไม่เป็นอุบายยโกศลของมนุษย์นั้นอุบายมีอยู่ผู้รู้อุบายชื่อว่า มีอุบายยโกสนความฉลาดในอุบายหรือฉลาดหรือรู้ในสิ่งที่จะนำไปสู่ความเจริญได้เจริญได้ก็คือแก้ไขปัญหาเล็กๆน่นอนโดยลำดับไปจนถึงปัญหาใหญ่ๆอันนี้ก็เป็นเรื่องเรื่องชื่อสูตรเนี่ยนะฮะทีนี้เนื้อหาเขาทำมาว่าอาวิชาเกิดเกิดอย่างไร สังขารเกิดเกิดยังไงแล้วก็ที่วันดับเนี่ยดับยังไงนี่ก็เป็นเรื่องที่เราก็เคยพูดกันมา ป, ปลายๆแต่ยังมีจุดที่ที่น่าศึกษากันเฉพาะตรงนี้ผมจะขอผัดเอาไว้พูดในภาพบทสรุปของเรื่องปฏิจจสมุปบาทเข้าใจว่าจะอีกสักสี่สัปดาห์หลังจากนี้ดะนั้นว่าสูตรนี้ผมขอผ่านไปเท่านี้เราจะไปเข้าสูตรยาวที่สุด ของเรื่องราวที่เกี่ยวกับนิทานลังยุตแล้วก็เป็นสูตรที่ถือว่าเป็นหลักฐานในทางหลักการที่พูดถึงเรื่องของคนทำวิปัสสนาธรรมฐานเนี่ยจะต้องได้ฌานจะต้องทำสมาธิก่อนหรือไม่แต่ว่าบางทีราอ่านจากหนังสือความจริงก็ ก็ไม่ใช่ไปเรื่องเป็นเรื่องคิดทีเดียวนะแต่มันก็มีแง่มุมที่เราแยกแยะอย่างเช่นเราอาจจะเคยอ่านหนังสือเรื่องมตุตโตไทยของอาจารย์มั่นกันมานานแล้วดึงในนั้นท่านก็บอกว่าคนจะบรรลุมรรคผลเนี่ยจะต้องต้องได้สมาธิด้วยเพราะเหตุว่าสมาธินั้นเป็นองค์หนึ่งในองค์มรรคแปดแล้วก็ไตรสิกขาและศีลสมาธิและปัญญาก็มีบังคับอยู่อย่างงี้นะซึ่งทจริงอย่างท่านว่าก็จริง แต่ว่าถ้าจะตีความสมาธิจะต้องได้ถึงท่านฌานก็ไม่จริงอีกอคนที่ทำสมาธิทวิปัสนาเนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้ฌานแต่เวลาสภาวะทำลงลึกเนี่ยมันก็จะเป็นรูปหนึ่งของสมาธิที่มีการรวมตัวอย่า ง, างประหลาดขึ้นเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติจนกระทั่งผู้ปฏิบัติเนี่ยรู้ได้เองว่าถ้าจิตไม่มีการรวมตัวในสภาพพิเศษ ที่ไม่ได้หมายถึงจะต้องเป็นขั้นชานเนี่ยความแทงตลอดในธรร ม, มีไม่ได้ก็เรียกว่านั่นเป็นสมาธิเพราะฉะนั้นองค์มรรคแปดก็เว้นสมาธิไม่ได้แต่สมาธิต้องไม่ได้หมายถึงจะต้องได้ฌานเสมอไปออจากสูตรเนี่ยครับก็จะพระพุทธเจ้าจะทรงประลัดชี้ชัดถึงเรื่องของธรรมถิีติญาตที่ว่าเกิดก่อ น, นินภานญาน แล้วก็วิมุตติยานเกิดขึ้นโดยลำดับตัดไปที่ทันตรัสตอบกับสุติมะภิกษุที่คำาบวตจากการเป็นปริภาชคมาก่อนเนี่ยก็จะเป็นข้อยืนยันที่เข้าใจว่าผมอาจจะพูดไม่ได้จบสูตรในการบรรยายครั้งเดียวนี้ขอให้เรามาเริ่มต้นที่สูตรนี้โดยลำดับสุติมะสูตรสุติมะนั้นเป็นชื่อของ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับสูตรนี้คือเป็นผู้ฟังธรรมหรือเป็นผู้ที่มีปัญหาเป็นผู้ที่เป็นมูลทําให้ประสูตรนี้เกิดขึ้นประสูตรนี้จึงได้ใช้ชื่อของท่านมาตั้งว่าสูตรสิมะสูตรสูตรที่แสดงแก่พระสูตรสิมะเนื้อหาที่แสดงที่เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดนั้นคือเรื่องปัญญาพิมุติการหลุดพ้นด้วยปัญญา เนี่ยเท่ากับว่าสูตรนี้นะเป็นการกล่าวยืนยันอย่างสําคัญเกี่ยวกับเรื่องปัญญาวิมุตต์หรือพระอราหันต์ที่เรียกว่าสุขวิปัสสกะที่เราเคยได้ยินว่าพระอรหันต์มีอยู่สองปัญญาวิมุตต์กับอุปโตปาคาวิมุตต์อุปโตปาคาวิมุตต์หมายถึงหลุดพ้นด้วยอํานาจของฌานด้วยหรือพ้นทั้งสองส่วนได้ฌานได้ฌานด้วยเนี่ยก็หมายความว่าต้องเป็นฌานถึงขั้นอรูปนะถึงจะเรียกอุปโตปาคาวิมุตต์ แต่ถ้าเป็นสุขาววิปัสสกาเนี่ยไม่ได้ฌานเลยแต่คนได้ฌานแค่รูปฌานก็ไม่เป็นอุปโตภารวิมุตติออันนี้ก็จะจ ะ, จะได้บอกและจะเขียนแผนบูไม่ดูต่อไปนะให้กําหนดความว่าวัญญาวิมุตตนั้นมีเป็นสองนะนคือนหนึ่งอรหันตุขาวิปัสสการอารหันต์ที่บรรลุโดยไม่ได้สมาธิที่เป็นฌานอะไรเลย แต่อาจจะมีสมาธิขั้นต่ำได้ขั้นคณิกะสมาธิหรือขั้นโอุจารสมาธิสมาธิเหยียดฌานแต่ไม่ได้อัปปนาสมาธิคือฌานอราหันต์ประเภทนี้เป็นสุ ก, นสกกาปิปัสตังนันเป็นหนึ่งในสองอย่างของอราหันต์ฝ่ายปัญญาวิมุตติอราหันต์ฝ่ายปัญญาวิมุตติอีกอย่างหนึ่งคือพระอราหันต์ที่ได้ฌานแค่รูปฌานไม่ได้ถึงรูปฌานท่างถือว่าเป็นปัญญาวิมุตติด้วย อ า, หารหันใดที่ได้ถึงอรูปฌานจึงนับว่าเป็นอุปโตภาคพิมุตจะได้ปัญญาหรือไม่ก็แล้วแต่เถอแต่ว่าถ้าได้ถึงอรูปฌานแล้เป็นอุปโตภาคพิมุตเดี๋ยที่เรียกอุปโตภาคพิมุติเพราะเป็นผู้หลุดพ้นทั้งสองส่วนเป็นอาหันที่หลุดพ้นทั้งสองส่วนทําไมจึงเรียกว่าสองส่วนก็เพราะว่าเมื่อบรรลุอรูปฌานเนี่ยพ้นจากความเกี่ยวข้องในรูป ความผูกพันในรูปพ้นแล้วยังเหลือแต่ความผูกพันในนามพอมาบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็ลากความผูกพันในนามได้อีกส่วนหนึ่งด้วยจึงเป็นพระอรหันต์ที่พ้นจากความผูกพันทั้งรูปและนามนะฮแต่ไม่ได้แปลว่าพระอรหันต์ที่เป็นปัญญาวิมุตติเนี่ยจะไม่พ้นจากความผูกพันในรูปและนาม ถ, ถึงตอนเป็นอรหันต์ก็พ้นทั้งคู่ แต่ท่านพูดเป็นสองอย่างนี้ด้วยอำนาจของที่มาว่าใครละความผูกพันอะไรมาก่อนเรียกตามที่มาไม่ได้เรียกว่าเป็นอาหันต์แล้วคนหนึ่งพ้นเท่านั้นคนหนึ่งพ้นตอนนี้ไม่ได้หมายความอย่างนั้นเรื่องราวของสูตรนี้มีต้นเรื่องค่อนข้างยากสุสิมะเนี่ยเป็นพวกเดลถีมาก่อนคือเป็นพวก ปริพาชกก็อยู่ในกรุงราชเกลือนั่นแหละครับอยู่อคนละมุม ก, กันกับพระเวฬุวันมหาวิหารจะเรียกว่าอยู่ไม่ไกลกันสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวรุวันในนี้เป็นดูมันจะเป็นเจตวันเจตวันนั้นอยู่พลเมืองกันเจตวันอยู่เมืองสาวัตถีเวรุวันคือป่าไม้ไผ่หรือสวนไม้ไผ่นั้น เป็นที่พระราชทานเยื่อแกกระแตจึงเรียกว่าการันตกะนิวาปาสถานอยู่นอกกรุงราชาคฤิใกลกรุงราชาคฤินะครับสมัยนั้นแหลพระผู้มีพระภาคอันเทวดาและมนุษย์ทั้งมวลสักการะเคารพนับถือบูชาย่ำเกรงได้ทรงได้ชีวรบาทบินบาบัยเทนาสนะ และเภศัชบริการเป็นปัจจัยแก่คนไข้แม่พิสูจสงฆ์ก็เช่นเดียวกันอันเดียวดายและมนุษย์ทั้งหลายก็สักการะแต่พวกปริพาชกเดลธีอื่นอันเดียวดาและมนุษย์ทั้งหลายไม่สักการะไม่เคารพไม่นับถือไม่บูชาไม่ยำเกรงไม่ได้จีวรบินทบาทเสนาสนะและเภสัชบริการเป็นปัจจัยแก่คนไข้ อันนี้เป็นการกล่าวถึงสภาพความเป็นอยู่ในแง่ของลาภกะลละที่เกิดขึ้นระหว่างคณะสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานกับหนูเดือนถีเราไปอินเดียเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าอย่างเอาง่า ย, ายอย่างไปสรารนาฏเนี่ยหรือไปที่พุท ธ, ธกยาก็ได้อย่างพุท ธ, ธกยาเนี่ยเราก็รู้วาก่อนในะพวกมารก็ยึดคองนะเขก็กลองอยู่เขาไปตามเรื่องพอท่านธรรมปาละไปต่อสู้ แล้วก็เอามาเป็นของพูดได้พวกมหันต์เขาก็ไปอยู่ทางด้านซ้ายมือถ้าเข้าประตูประตูไปสู่ที่พุทธกยาเนี่ยไม่รู้ใครจะได้มีโอกาสไปแวะผมแวะพอแวะเข้าไปในแมนะ้พวกคนเฝ้าตาลุกเลยพยาญาณจุฬาลูกจอให้เราไปปราบไหว้ก็หวังที่จะได้การบริจาคจากเราแต่เราก็มีความรู้สึกว่าไปกี่ทีกี่ทีเนี่ยก็ไม่มีใครเข้าไปไหว้อะ แล้วก็ที่สารนาคก็มีวัดเชนสีสวยาสาะอานเนี่ยนะเราเข้าไปก็ไม่มีใครไหว้เขาก็กุรีกุจอเราก็แข็งใจทำบุญกันไปสิบหนุปียี่สิบนปี <c oughs> ก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตสำหรับเขาแล้วนะเพราะว่าไม่มีใครเข้าไปเลยกเ็เวลาเราไปนั่งมองมองจากบริเวณในบริเวณหนึ่งแล้วมองเข้ามา เห็นคนเดินหลรอบๆทำเมตตาสถูปเนี่ยแล้วแล้เราเลาเป็นหลายร้อยก็นะดูนานๆไปนั่งเป็นยี่โมงยี่โมกแต่ว่าวัดเชนไม่มีคนก็เลยทาให้เกิดความรู้สึกเปรียบเทียบแล้วก็นึกไปถึงว่าเมื่อสมัยพระพุทธเจ้าทรงมีพระชนอยู่พระพุทธศาสนากําลังรุ่งเรืองพิสุสงปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีให้เห็นกันโดยทั่วไปเนี่ยก็เป็นที่เชื่อแน่ว่าเกียรติของ สังคมนทนกับของพวกเดรัจฉีภายนอกสาสนานเทียบกันไม่ได้เลยจึงไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกเลยว่าพวกนี้เนี่ยเวลาที่เขามาปรลาลบลงมาทำยังไงก็ถึงจะมีอยู่มีกินมีลาภ ก, กาละมีคนเคารพนับถือเหมือนกับทางพุทธพวกนี้ก็จะเกิดพุทธิกรรมออกมาเป็นสองอย่างคือหนึ่งตั้งตนเป็นศัตรู ประทุสรายพระพุทธศาสนาพระรทุศลายุติเจ้าเป็นต้นเราก็จะอนุตได้แล้วครับเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นเคยถูกใส่ร้ายก็ได้เหตุผลนี้ไม่ใช่เหตุผลอื่นเลยใครบางที่ใส่ร้ายด้วยวิธีไหนนางสุนทรีนางจินยามานาวิกาแล้วก็พระโมคคัลลานะก็เนี่ยต้องมาตายเพราะอันเนี้ยมรณะภาพเพราะพวกนอกศาสนาคนไม่ได้ คือเมื่อผมก็เข้าใจว่าไม่ใช่ว่าโพ้นนั่นก็จะไม่มีอยู่มีกินอย่างพวกเนเนี้ยพวกเคานี่เขาก็มาไปกินอยู่แล้วอ่เขาไม่กินอยู่แล้วพวกเคนนี่มาเรารู้แต่เขาก็อิจฉาเพราะหนึ่งทนความเคารพนับถือไม่ได้เรื่องนี้ยมันเป็นเรื่องที่ลองมันอิจฉาข้าวหน้าแล้วพูดถึงอิจฉาเจตสิกเนี่ยเวลาเห็นคนได้รับความเคารพนับถือบางทีแม่จะเป็นศาสนาเดียวกันต่างโบต่างคณะกันเนี่ยมันเจ็บปวดและทนไม่ได้แต่เป็นพวกคนละศาสนาด้วยแล้วก็ยิ่งทนไม่ได้ ก็ไม่ต้องถามเหตุผลว่าเป็นเรื่องความรู้สึกที่เกิดขึ้นโดยอำ น, นาจอารมณ์กิเลสนี่พวกนี้ก็จะมีมีปฏิกิริยาต่อสู้แบบนี้โดวยวิธีลิสยาถ้าบางพวกมีภูมิปัญญาหน่อยอย่างสัจจการนิครุนเนี่ยก็ใช้วิธีการเข้ามาหักหารด้วยหลักการโตวาตีแล้วก็แปรระบุจฉาแล้วก็อุบ า, ารีเพื่อพอดี ก็อย่างเช่นล้วก็มีสองอย่างนะสองวิธีคือวิธีใสายลาย่าวิธีใช้นักปราศน์เข้ามาโตแยงหักล้างเพื่อเอาชนะทำให้เสียความนับถือในหนูคณะสงฆ์อันนี้ทั้งหมดนี่มีอยู่ในประจริดก็นี้อีกกรณีหนึ่งคือพวกที่เข้ามาบวชคือไม่ใช่ปลอมตัวในยุคนั้นเนี่ยพระปลอมไม่มีไม่มีพระปลอม ท่านก็คุมมันได้แต่ปลอมในลักษณะที่เรียกว่าขโมยบวชตามวินัยกรรมทุกอย่างเนี่ยแต่เจตนาที่บวชเข้ามานั้นเพื่อผลอะไรบางอย่างคือไม่ใช่เพื่อมาทำลายอย่างอื่นแต่เพื่อมาขโมยธรรมะอย่างกรณีของศูซิมะเนี่ยในสูตรนี้ก็บอกว่าที่เข้ามาบวชก็าอะไรก็ปราลบไอ้เรื่องลาภกากะละชื่เสียงเนี่ย อย่างที่เห็นในสูตรนี้บอกว่าสมัยนั้นแลสุสิมาบริพาชกอานสายอยู่นะกรุ่มแรกเกิดขกับพวกปริพาชกบริษัทเป็นอันมากครั้งนั้นแลบริษัทของสุสิมาบริพาชกได้กล่าวกับสุสิมาบริพาชกว่ามาเถิดท่านสุสิมาท่านจงประพฤติพรหมจรรย์นในสำนักของพระสมนาคโคดมคําว่าประพฤติพรหมจรรย์นในหมายถึงบวชนะท่านเรียนทำแล้วพึงบอก แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายพวกข้าพเจ้าเรียนทำนั้นแล้วจักกล่าวแก่เครือข่ทาทั้งหลายเมื่อเป็นเช่นนี้แม้พวกเราก็จะมีเทวดาและมนุษย์ทั้งมวนสักการะกรกนับถือบูชายามเกรงก็จักได้จีวรบินรบาดเสน า, านะที่เป็นปัจจัยแก่คนไก้เออได้ปัจจัยสี่ก็ อ, อันนี้ครับคือก็มานั่งคิดอันนี้เขาเรียกว่าตามความเข้าใจกันได้ดีครับว่าคือเขาเข้าใจว่างนี้มีท่านอธิบายนว่ า, วา พระสมณะโคดมเนี่ยเป็นคือไม่ได้คิดว่าท่านมีภาวนาท่านมีสัพพัญญูอะไรนั่นหรอเข้าใจว่าพระสมณะโคดมเนี่ยรู้จักแต่งบทมีแต่งบทคำพีที่ให้พระสงค์เนี่ยไปกล่าวอนโมทนาคือค่อนข้างจะเป็นรูปพิธีกรรมแล้วก็การเอาใจด้วยการโว้ใจให้พ่อน พวกในละถีก็คิดว่าอยากจะรู้จริงว่าคําเหล่านี้เหมือนการพูดกันอวยพรเนี่ยเวลาเราไปใส่บาตนะี่แต่พระองค์ไหนเราใส่บานะตแล้วก็ใส่บาตรเสร็จแล้วเดินหนีเลยเราก็รู้สึกว่าอไม่ค่อยดีใจนั ก, ก น, นะเอางั้นกันนะกันตาองค์ไหนท่านอวยพรดีๆ่น่ะโอ้อนะโหคนชอบใส่บาตสังเกต ด, ดูทุกที่ล่ะเป็นอย่างเนี้ทีนี้ถ้าพระองค์ไหนท่านรู้จัก อนุโมทนาอวยพรในดีๆเนี่ยจะเป็นที่ทราบซึ้งแก่ ญ, ญาติโยมที่นี้สมัยก่อนเนี่ยตูดเดลตีก็เห็นว่าเวลาคนนิมนต์พระพุทธเจ้าเป็นต้นใบชันก็จะมีการเทศการการอนุโมทนาอนุโมทนาในรูปเทศอนุโมทนาก็สมัยก่อนด้วยมากเป็นอนุโมทนารูกเทศไม่ได้ยถาวริวหากันอย่างนี้เป็นเป็นบทที่แน่นอนออกมาก็อนุโมทนาในรูกเทศทําให้ญาติโยมเนี่ยเกิดปีติเกิดสมนั้น พวกในละถีเขานึกว่าพระเหล่านี้นะพระพุทธเจ้าทรงแต่งบทนะฮต้องมีคัมภีร์แต่งบทพูดถึงถูกใจโยมอะไรนิดหน่อยก็โยมยกมือทูโมสาตุสาตุนีมนแล้วนีมนอีกแย่งกันนี่แย่งกันนี่มนต์ให้ไปจันก็เลยคิดว่าเราจะต้องส่งคนที่เป็นคนฉลาดหัวไวไปเรียนแล้วไปขโมยเอาธรรมะมาเอามาใช้ประยุกต์คือเอาหลักลักทธิของเราเนี้ยใส่เข้าไปให้มันกลายเป็นของเราแต่ถูกใจโยง ก็คิดว่า <c oughs> ควรจะส่งหัวหน้าไปคือสุติมาเนี่ยเป็นคนฉลาดเป็นบัณฑิตปริพาชก ค, ความรู้ในทางหลักของเลระถีดีอยู่แล้วก็ตกลงขอร้องให้ช่วยไปเพื่อเรียนธรรมะข้าโมยมาต้องใช้คาว่าข้าโมยเพราะว่าไม่ได้ไปแบบเปิดเผยก็เป็นนั้นว่านี่เป็นเหตุที่ สุสมัปริภาชกเนี่ยไปบวช ด, ด้วยเหตุผล น, นี้ที่นี้มันก็เป็นเรื่องที่แปลกว่าธรรมดาคนที่เข้าไปบวชหรือเข้าไปสู่วัดเข้าไปฟังธรรมเข้าไปปฏิบัติธรรมไม่ว่าที่ไหนที่ไหนสมยัยไหนสมไยไหนมันก็จะมีออกมาเป็นอย่างเงี้ยบางคนก็ไปฟังธรรมด้วยความศรัทธาเจตนาบริสุทธิ์ไปปฏิบัติธรรมด้วยความศรัทธาเจตนาบริสุทธิ์เสร็จแล้วก็ไม่ได้อะไร เท่าไหร่นะไม่ได้อะไรในลักษณะสุ่มสุอาจจะได้บุญได้ลอนี้แต่บางคนเนี่ยเข้าไปด้วยเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์ไปเพื่ออย่างอื่นแต่กลับเนว่าได้อะไรดีกว่าคนที่เข้าไปด้วยเจตนาดีหรืออย่างบางคนเนี่ยอ จ, จะขับรถไปส่งพ่อส่งแม่ฟังธรรมะขับรถพาพ่อพาแม่ไปปฏิบัติตามทาไปทํามาให้คนขับรถไปส่งกลับ จเจริญในธรรมมากกว่าเห้นะอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตที่กําลังจะชวนให้คิดว่าอํานาจขั้งบุพพาเจตนาเนี่ยถ้าเจตนาไม่ดีเราเคยนึกกันโดยทั่วๆไปว่าน่าจะทําให้คนจเจริญในกุศลดีไม่ได้เหมือนว่าเราใส่บาตร ท, ทาทานได้เจตนาไม่ดีทําบุญอะไรทั้งหลายด้วเจตนาไม่ดีมันเอาดีไม่ได้เดี๋ยวได้ไม่ดีสักทีคนรเห็นะ แต่ถ้ามีเจตนาดีแล้วก็เอาดีได้แล้วทําไมนคนไปบวชเนี่ยหลายหลายรายเนี่ยในในสมัยพุทธเจ้าเนี่ยกลายเป็นว่ามไม่เป็นไปตามที่ควรจะเป็นที่เป็นอย่างนั้นรออดเล<ส>เราก็ต้องบอกว่าเราจะมาพูด<ส>ว่ากรณีของท่านสุตีมาเนี่ยไปด้วยเจตนากลายเป็นว่าเป็นพระหลานภายในสามวันเป็นหลานในสามวัน่ไปเบิกเโมยน่ะแต่เป็นพระหลานภายในสามวัน ทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องบอกว่าไอ้บุพภาเจตนาเนี่ยยังไงเราก็ต้องยืนไปในหลักการว่าถ้าเรามีเจตนาดีได้ก็ต้องสร้างเจตนาให้ดีแต่ว่าถ้าคนมีเจตนาที่เป็นบุพภาเจตนาไม่ดีจะมีดีอย่างอื่นไอ้เจตนาไม่ดีนั้นมันก็ทำให้ไอ้ความดีอย่างอื่นมาช่วยทำให้ดีได้แต่ถ้าคนที่มีบุพภาเจตนาดี แต่อย่างอื่นมีดีน้อยเวลาไปแล้วมันอาจจะได้ดีสู้คนเจแต่เจตนาไม่ดีแล้วมีดีอย่อื่เพราะไอ้ดีเก่าก็ดีใหม่องเงี้ยไอ้ดีใหม่หมายถึงเจบุปาเจตนาเดี๋ยวนั้นแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยมันต้องมีบุปผาเจตนาดีด้วยแล้วก็มีดีด้วยไอ้เราก็ไม่รู้ว่าเรามีดีไอ้อย่างเก่าเก่าแก่ไหนเราก็ต้องเอาบุปผาเจตนาดีไว้ก่อนนะฮะอันนี้มันอาจจะต่างกับเวลาทําบุญเมื่อเราเราจะใส่บาตรทาบุญอะไรก็ตาม มันเป็นบุญหน่วยเดี๋ยวนั้นขณะนั้นถ้าลองบุพเาเจตนาไม่ดีแล้วเนี่ยถือว่ากระบวนการของการทำทานตกต่ำใช่ไบุญได้น้อยอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดามันนั้นบุพเาเจตนาต้องดีถ้าจะทำบุญเจตนาจะได้ครบถ้วนดีพร้อมทั้งสามการ น, นี่ก็ยกไว้ สำหรับกันคนบวชได้เจตนาไม่ดีได้ดิบได้ดีแย่ๆบวชได้เจตนาดีได้ไม่ดิบได้ดิบได้ไม่ดีก็เยอเหมอนกันก็เพราะเหตุนี้ออันนี้พระพุทธเจ้าทรงรู้อย่างที่เราจะได้เห็นในความของสูตรนี้โดยลําดับถัดไปอ่าก่อนที่จะเลยไปถึงประเด็นถัดไปเนี่ยประเด็นสองเนี่ยคือเรื่องความเคารพที่พระสงฆ์และพระพุทธเจ้าได้เนี่ย มันเป็นของสูงส่งอันนี้ท่านพยายาพรณนาเห็นว่าเป็นของสูงแล้วก็เป็นของทรมานความรู้สึกของพวกเดลัตีมากเรามันนูกถึงว่ายาระพุติเจ้าเนี่ยคนเคารพยาเกรงเนี่ยเคารพจริงจริงโน้ว่าขึ้นรถมาเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จมาบินาบาตเนี่ยจะลงจากรถทำผ้าเจียวิ่งบา ท, ทำความเคารพกราบแท่บบาบาททำนองว่าเอามือลูบหัวแล้วลูบหัวอีกอะไรเงี้ยนะถ้าถ้าจะ ยกประบาดเหยียบศีรษะเหยียดเสียงของตัวก็ยินดีซึ่งการจะทําอย่างนี้ทําได้กับพระพุทธเจ้าทําได้กับพระสงฆ์ของพระพุทธเจ้าแต่ว่าพวกเดรัจฉีเราอื่นไม่มีใครทําอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่อะไรทําให้แตกต่างกันพวกเดรัจฉีเขา ก, ก็คิดไม่ออกเอาละครับเราเลยไปถึงประเด็นต่อไปสุสมาริปาชกก็รับคําของบริษัทตน แล้วเข้าไปหาท่านนพระอ น, นุทิยูครั้นแล้วได้ประสัยกับท่านพระอ น, น, นุการผ่านปันการประสัยพลเรือ ก, กันไปได้จึงนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งครัสุติมาปริภาชกนั่งเรียบร้อยแล้วได้กล่าวกับท่านา น, นุว่าท่านอ น, นุผม ป, นะปรักนาเจ้าเปติปรมจันทร์ในธรรมวิีไนนี้อตรงนี้นะ่ะก็มีอข้อสังเกตว่าทําไมสุติมะปริภาชก จึงมุ่งหน้าเข้าไปหาท่าน า, านนท์เขาก็บอกว่านี่แหละเป็นกวนชะลาตั้งแต่แรกของท่านสุริมาปิปิปชกเพราะสุริมาเนี่ยต้องคิดว่าทํายังไงจะต้องบวชให้ได้และบวชให้ได้เร็วที่สุดเลยทํายังไงถึงจะเร็วที่สุดก็มานั่งคิดว่าถ้าเราไปเองก็ไม่มีไม่มีโอกาสจะได้เข้าว่าพระพุทธเจา้าเพราะพระพุทธเจา้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระราชาไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุอื่นๆเนี่ยโอกาสที่จะได้เข้าเฝ้า คือเรียกว่าปรารถนาจะเฝ้ามาอะไรก็ได้เฝ้ามานั้นเป็นไปไม่ได้เลยก็คิดหาคนว่าใครจะเป็นคนที่พาได้เข้าเฝ้าได้ทันทีก็รู้ว่าพระอนนท์เพราะว่าพระนนท์นี่ขอพรไปแล้วแล้วเป็นเป็นพุธทธ ป, ปะถะทางก็เลยมุ่งหน้าไปหาพระอนนท์ทีนี้พระอนนท์พอสุสีมะเข้ามาหาอย่างนี้ก็พาเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าได้ทันท่วงทีก็ด้วยความคิดว่าสุสีมะนี่ เราก็พอรู้ว่าเป็นเจ้าหมูเจ้ากันนะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่พอสมควรหลวพ่ที่เจ้าคงจะทราบอัตยาสายของสุสีมะจึงได้พาไปฟ้าพระผู้มีพระภาคได้กราบทูลความประสงค์ของสุริมะให้ฟังให้ได้ทรงรับทราบว่าสุริมะนั้นต้องการบวชหลวพ่อที่เจ้าทำไมโดยปกติเนี่ยถ้าเป็นพวกเดรัจฉีนอกาศาสนาจะมาบวชเนี่ย พระพุทธเจ้าจะทรงให้อยู่บริวารปกเดือนบริวารเนี่ยหมายถึงการอยู่เก็บตัวเพื่อเสษคุ้นกับระเบียบการอยู่ร่วมในสมาคมของสังคมต น, นให้ตัวได้คุณเคยได้รับรู้เป็นไงได้สังคมต น, นเนี่ยหมดข้อรังเกียจว่าอยู่ร่วมด้กันได้แล้วก็ลงมติว่าบวชได้ ท่านก็ให้เวลาหกเดือนหกเดือนตั้งครึ่งปีไม่ใช่น้อยนะเดี๋ยวนี้เราก็ามาใช้สําหรับ ห, หลายๆวัดว่าคนจะบวชเนี่ยวัดที่แรงเกร่งกลัดให้มาอยู่ให้มาเป็นชีประขาวก่อนก็กําหนดเวลาต่างกันบางแห่งก็สองปีมาเป็นชีประขาแล้วจึงให้บวชเนนระยะหนึ่งปรบวชเนนระยะหนึ่งหรือให้บวชพะาะได้เ อ, อที่ทําอย่างนี้นะเพื่อพิสูจนตัวเอง บทอธิบายนะฮะบอเพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าเราสามารถที่จะบวชอยู่ได้หรือไม่ถ้าผ่านขั้นตอนโดยลาดับได้ก็บวชได้ถ้าไม่ได้ก็สึกได้เพราะว่าบางแห่งเนี่ยาอาจจะระบวชแล้วไม่ควรจะสึกตำหนักดีนเคลื่อนคัดบางแห่งถ้า <c oughs> ผู้มีพระภาคได้ตรัสให้ท่า น, านนนนทบวชให้ทันทีมันมีเหตุผล อย่างที่ท่านตรัสว่าอนอนท์ถ้าอย่างนั้นเธอจงให้สุสิมะปริพาโจกบดุดอันนี้ก็เป็นการให้บวดนะในนามของพระพุทธจาก็คือพระพุทธจ้าบวช ใ, ให้แหลยแต่ให้ท่านอานอนท์นั้นเตรียมการจัดแจงทุกสิ่งทุกอย่างสุสีมาก็ได้ประประชาประสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคแล้วเป็นนั้นว่าบุดได้เดี๋ยวนั้นเลยเข้าพบเดียวนั้นบวดได้เดี๋ยวนั้นถ้าผู้มีพระภาคทรงมีเหตุผลอะไร ยิ่งให้บวชได้ทันทีอันนี้ท่านก็อธิบายเพิ่มเติ ม, ตมให้เห็นว่าที่ทรงรับบวชได้ทันทีเนี่ยเพราะว่าทรงตรวจดูเหตุแล้วรู้ด้วยเหตุสามอย่างคือหนึ่งสุสีมะนั้นเรียกว่าสถานะนั้นเป็นเหมือนาศาสด า, สาศาสดาคือเป็นครูของหมู่ของะนณะอันหนึง่งเป็นคน มีความเฉลียวฉลาดที่เชื่อถือได้แล้วก็สองสุสีมะนั้นบวชเพื่อขโมยธรรมะไม่ได้บวช ด, ด้วยความเลื่อมใสใครหรือธรรมะของใครอันนี้ก็ต้องรู้อีกสามเมื่อบวชแล้วเนี่ยจะเป็นผู้พยายามปฏิบัติธรรมสองสามวันสามวั น, นก็จะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ นี่เป็นการเรียกว่ารู้บุคลบคลรู้อัธมุตของบุคคลรู้อัธยาศัยของบุคคลแล้วก็ท่งตัดสินใจให้ทําอะไรได้อย่างไรในแต่ละลายแตกต่างกันไปเ้าล่ะก็ไม่นั้นว่าเป็นปละและ ส, สมัยนั้นแหละได้ยินว่าพิสูจ้์ทลายเป็นอันมากอวดอ้างละอาราตผล ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าข้าพระองค์ทั้งหลายรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพระมจรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำํำตามเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอันนี้ก็เป็นคําพยากรณาราตผลในนี้เขาแปลว่าอวดอ้างฟังดูเป็นลบๆนะจริงๆก็คือการพยากรณ์พยากรณาราตผลก็เป็นธรรมเนียมของพระสงฆ์ในสมัยนั้นอย่างพระสงฆ์กูุมนี้ก็เป็นพวก พระสงค์ที่ได้เรียนกรรมฐ า, านธรรมาทานกรรมฐ า, านเมื่อตอนจะเข้าบรรษาแล้วก็ไปปฏิบัติอยู่ตลอดบรรษาในที่จำบรรษาของตนของตนและพอออกบรรษาก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ก็ปราลบว่าเราจะต้องไปทำเขาเรียกว่าสุดที่ปรวรณาเป็นการปรวรณาของผู้บริสุทธิ์ที่บริสุทธิ์ก็คือเป็นพระอรหันต์ อถ้าเป็นปุถิชนเนี่ยหรือแม้เป็นพระอริยะขั้นประเสกการทำบารนานะั้นยังไม่ถือว่าเป็นสติบารณาแม้ว่าผู้บารณาจะไม่ได้มีความผิดติดตัวนะไม่ได้มีความภาครังก็ไม่เป็นสติอทํามีความผิดก็แน่นอนอยู่แล้วไม่เป็นสติแต่ถ้าเป็นอาหัยแห่งซือว่าเป็นผู้ไม่มีอิเล ก, ก็เก็บเสนากันนะกนะ็มาม า, มาฟ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็มาพบกันเ อ, อ เวลาที่เราจะได้มีโอกาสพบพระมากๆและค่อนข้างจะเป็นพระอาดีบุคคลมาชุมนุมให้เด็นเป็นกลุ่มๆหน้าตาหน่อยเนี่ยคือตอนออกพรรษาตอนออกพรรษาเนี่ยพระสมัยนั้นจะมีธรรมเนียมต้องไปไ้าพบุธิเจ้าเป็นธรรมดาเลยนะแล้วก็พวกที่ปฏิบัติธรรมก็จะไปพยากรราตะผลอธิษวายบูรพุทธเจ้า ใครได้ไปทําบุญตอนนั้นก็จะเป็นประโยชน์มากที่จะได้ทําบุญกับพระญาติญ า, าบุคคลนั้นพวกพระทั้งหลายเหล่านี้ท่านก็มาเฝ้าแล้วก็มาพยากรณ์กันเนี่ยนี้ก็เป็นกลุ่มหนึ่งนะที่บังเอิญเป็นจังหวะที่ท่านสุริมัท่านได้สอดสายสายตาสังเกตวงการคณะสองฆ์อยู่ได้เห็นปรากฏการณ์อันนี้และท่านสุริมเัเฮนั้นท่านก็เหมือนกับคนเดี่ยนี้อย่างหนึ่งคือเมื่อพูดถึงพระอรหันเนี่ย ความรู้สึกว่าเป็นราษน่นจะไปติดอยู่ที่ฤทธิดเด์เดชเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันนะพวกนังสือพระนังสือ้อะไรทั้งหลายที่ท เ, ขเขียนเขียนเผยแพร่กันเนี่ยก็จะเขียนเพื่อสสำแดงคุณ อ, อ, อ, อริยะไปในลักษณะาทางฤทธิ์และชาวบ้านเนี่ยเห็นลระมีฤทธิ์พระหายตัวได้หรืออย่างรู้จิตใจรู้ได้ก็จะรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็จะนึกว่าเป็นพระราอา่า ก็คิดไปอย่างนั้นสุสีมะนั้นคิดแบบชาบ้านเมื่อเห็นว่าพระเหล่านี้มาพยากรณว่าเป็นพระอรหันเนี่ยก็คิดว่าเราจะต้องไปพิสูจน์ความสามารถของความเป็นอรหันให้ให้ปรากฏก็ตอนที่พยากรณกับพระงุ่อเจ้านั้นไม่กล้าที่จะไปถามนูนนน่นถามนี่เมื่อพระเหล่านั้นได้กลับเข้าไปอยู่ในที่พักของตนของตนแล้ว ท่านก็เข้าไปถามดังที่พระสูตรนี้บอกว่าทันใดนั่นเองท่านสุติมะก็เข้าไปหาวิสูรเหล่านั้นึงที่อยู่ได้ปราสัยกับวิสูรเหล่านั้นท่านราผ่านการปราสายพอให้เราเลิกถึงการไปแล้วจึงนั่งหน้าที่โกนโทรั้งหนึ่งครั้นท่านสุติมะนั่งเรียบร้อยแล้วก็ได้กล่าวกับวิสูรเหล่านั้นว่าได้ยินว่าท่านทั้งหลายอวดอ้างพระอรหันตผลในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าข้าพระองค์ทั้งหลายรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้ว ในหมายถึงการเกิดไม่มีแล้วนะอะเป็นต้นเดังนี้หรือที่สุทั้งหลายก็กล่าวว่าจริงอย่างนั้นท่านผู้มีอายุอ่าตัวนี้ก็มีปัญหาอีกว่าเราได้ผ่านมาสุดหนึ่งเมื่อเร็วๆนี้ท่านตวิชชาเวลาถูกถามว่าท่านบรรลุเป็นพระรอรหันต์เลยท่านตอบว่าไงจําได้ไหมท่านหนิงตุนีวาโวหนิง และทำไมพระทั้งหลายเหล่านี้ท่านไม่นิ่งท่านตอบว่าจริงอย่างนั้นคือถ้าหากว่าโยมมาถามเนี่ยพระตอบไม่ได้แต่ว่าท่านสุภิมามาถามพระเหล่านี้ท่านไม่ได้ถามแบบระบุว่าท่านเป็นพ้าลานหรือท่านถามว่าท่านพูดอย่างนี้จริงหรือและจะให้ตอบแบบนิ่งไม่ได้ท่านก็ ต้องตอบว่าใช่พูดอย่างนั้นพูดอย่างนั้นพูดยังไงนั้นก็ไม่ทราบตอแต่ถ้าถามว่าท่านเป็นน า, ารหันหรือท่านไม่ตอบท่านนิ่งถ้าถามว่าพูดอย่างนั้นหรื อ, อท่านก็ตอบได้ทีนี้เมื่อแม้ว่าจะตอบว่าพูดอย่างนั้นเนื่องจากว่าได้พยากรณ์นารหันอยู่แล้วก็มีความหมายว่าเป็นอ า, ารหันเองนีเมื่อท่านสุสีมะได้คายืนยันว่า พิสูจเหล่านั้นรับว่าได้พูดอย่างนั้นซึ่งมีความหมายว่าท่านเป็นพระหลานก็ซักไซไล่เลียงถึงคุณวิเศษหลายข้อหลายประการโดยลําดับต่อไปว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุท่างหลายพวกท่านรู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี้คือรู้ว่าชาติสแล้วกรรอาจารย์อยู่จบแล้วคือเป็นอหลานนั่นเองย่อมบรรลุจิตทิ่วิธีหลายประการ คือคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้เหมือนอย่างท่านจุลปันทรรมเนะคนเดียวเป็นหลายคนแล้วเวลามีาโยมามาในมลฉุดมือก็หลายคนเหลือคนเดียวเป็นคนเดียวเป็นฤทธิ์อย่างหนึ่งทำให้ปรากฏทำให้หายทั้งตัวเองหายตัวหรือทำของทีเนื่งกับตัวให้หายให้ปรากฏได้ท่านะั้น แล้วก็ทะลุสิ่งกีดขวางมีกำแพงภูเขาเหมือนเป็นที่ว่างได้ขุดลงในแผ่นดินหรือในน้ำก็ได้เหมือนในน้ำเดินบนน้ำไม่แตกเหมือนเดินบนดินก็ได้ออกไปในอากาศมนกก็ได้ลกคลั่งพระจันทร์ราตย์ก็ได้ใช้อำนาจไปในพรหมโลกคือปกติพรหมโลกเนี่ยขึ้นไปได้ความยากยากกว่าเดวโลกเพราะว่าเป็นสภาวะละเอียดกว่าเทวโลกมาก ก็ถามฤทธิ์สิบอย่างปรากฏว่าพระทิศุที่พยากรณ์ว่าเป็นอาหารนั้นตอบปฏิเสธว่าหาได้เป็นอย่างนั้นคือความง่ายๆว่าผมทำไม่ได้สักอย่างฤทธิ์สิบอย่างเนี่ยทำไม่ได้เลยผู้มีอายุก็ทำให้สุสีมานั้นเกิดความรู้สึกว่าออแปลกใจ อาลันยทาไมไม่มีเรือะไรเลยทัก อ, อย่า ง, างคือมาก็ถามต่อไปว่าถ้าอย่างนั้นพวกท่านย่อมได้ยินเสียงสองชนิดคือเสียงทิศและเสียงมนุษย์ทั้งที่อยู่ไกลใกล้เสียงทิศก็คือผู้เสียงเทวดาเสียงมนุษย์ก็คือเสียงที่อยู่ใกล้ใกใกลๆในเสียงเบาๆแม้แต่เสียงเลนก็ราม่าจะได้ยินได้โดยที่โศตะธาตุอันบริสุทธ์ล่วงโสตะของมนุษย์บ้างหรือหนอก็ปฏิเสธอีก ปูิตไม่มีถามไปจนถึงเจโตปริยานสิบหกกำหนดรู้เจโตปริยนก็ว่าคนที่จิตมีราคามีโทสะเนี่ยคือเกิดความรู้สึกในทางดีทางไม่ดีทั้งหมดสิบข้อเนี่ยครับที่สิบหกเนี่ยที่เขียนไว้เป็นแปดแล้วก็แต่ละข้อนั้นก็แบ่งเป็นดีกัะชั่ว อยู่กละด้านกันอย่างจิตมีราคารู้ว่าจิตมีราคะจิตปราศจากราคาก็รู้วจิตปราศจากราคาไปจนกระทั่งจิตหลุดพ้นก็รู้ว่าจิตหลุดพ้นจิตไม่หลุดพ้นก็รู้ว่าจิตไม่หลุดพ้นเนี่ยถามว่ารู้บ้างไหมเขาบอกไม่รู้เ อ, อเรื่องรู้จิตความรู้สึกนึกคิอื่นเนี่ยพูดถึงว่าเดี๋ยวนี้ป้าว่รู้กันเยอะครับผมเมื่อเร็วๆนี้ที่มีโอกาสไปกราบพระรูปหนึ่ง ออท่านก็เก่งท่าน ก, ก็ทักทักทายอายุเท่ากับผมเกิดไปเดียวกันแก่เดือนนะครับสองตำเดือนทักทายเป็นเรื่องเป็นราวเห็นบอกเนี้ยอายุสีรกว่าแล้วยังไม่ได้บวชเลยอย่างเงี้ยน่าจะบวชได้แล้วบวชสักหน้าพรรษาเลยทุกวันนี้ก็เหมือนเป็นลลาอยู่ แ, แล้วนี่ก็ทักท่านเลื่อยไปเป็นเรื่องเป็นราวเรานั่งฟังไม่ให้ข้อมูลเลยนะทําเป็นแกล้งถามให้ท่านกันรู้ ดูความรู้สึกเมื่อคิดอะไรแต่ลเรานั่งหลับตานี่ก็อตอนจะจากก็นั่งหลับตาเพ่งไอ้ตันกะรู้เหมือนกันรู้สึกเมื่อคิดยังไงในตัวท่านแต่ว่าสรุปแล้วเราก็ไม่ได้พูต่อหน้าท่านก็ท่านก็ไม่ใช่เป็นเป็นพระวิปัสสนานะเป็นพระที่ที่ทำธรรมะมาเยอะตันก็รู้อะไรแต่ไรเนี่ยหน้า คือความความสามารถตรงนี้นะ่ะเป็นความสามารถที่ชาวบ้านชาวบ้านจะตื่นเต้นมาแต่เราไม่เคยตื่นเต้นเพราะว่าเราแสวงหายอย่างอื่นแต่ถ้าลําพังแค่นี้ก็ไม่ตื่นเต้นแต่ก็ดีอ่ะดีเป็นประโยชน์เยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นพระอรหันเนี่ยอาจจะไม่รู้อย่างนี้เลยก็ได้ถ้าเป็นอรหันฝ่ายถูกข่าวิปสนะัสสน์ะเป็นนั้นว่า อีอาพิญญาหนึ่งพระเหล่านั้นแม้แต่องค์เดียวก็ไม่มีที่จะได้ดิ่งเหล่านี้ก็จึงถามถึงอาพิญญาข้ออื่นความสามารถพิเศษข้ออื่นว่าท่านรู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี้ย่อมละลึกชาติก่อนได้หรือไม่จะละลึกชาติหนึ่งสองชาติหรือ <c oughs> ตลอดสังวัตกรรมตลอดมีวัตกรรมเป็นอันมากว่า ในภพน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีโทษอย่างนั้นอายุพันธ์อย่างนั้นอาหารอย่างนั้นสวยสุขและทุกข์อย่างนั้นมีกําหนดอายุเพียงเท่านั้นตายจากภพนั้นแล้วก็มาสู่ภพนู้นแล้วก็มีชื่ออย่างนั้นมี่างนั้นเป็นต้นมีสุขมีทุกข์อย่างนั้นอายุเท่านั้นแล้วก็จุดติจากภพนั้นก็ไปเกิดในภพนี้ละลึกชาติได้เป็นอันมากใพร้อมทางหาการคือลายเอียดอุเทศคือหลักใหญ่ๆจุดใหญ่ๆของชีวิต ภิกษุเหล่านั้นก็ตอบว่าระ ล, ะลึกชาติไม่ได้ก็ทําให้สุสีมะนั้นเรียกว่ามีความไม่เชื่อว่าเป็นอรหันต์มากขึ้นก็จึงได้ถามต่อไปอว่าท่านมีจูตูปะบัตถายานหรือย่อมรู้เห็นสัตว์ที่กําลังจุติกําลังอุบัติเลวประณีตมีผิวพันดีมีพิพันธสามได้ดีตกยากดีทีประจักษสุ อันบริสุทธ์ล่วงจากสูตของมนุษย์เอ็นสัตว์เป็นไปตามกรรมสัตว์เหล่านี้ประกอบกายสุจริตวิชีทุจริตมนุษสุจริตติดเตียนพระอริยเจ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิยึดถือการกระทําด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิเมื่อตายเพราะกายแตกดับไปเข้าถึงอบายทุกติวิบาตินรกส่วนสัตว์เหล่าใดที่ทํากายสุจริตวิชีสุจริตมนษสุจริตไม่ติเตียนพระอริยเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิ ยึดตัวการกระทํำด้วยน่าสมาริติเมื่อตายเพราะกายแตกดับไปเข้าถึงสุขคติโลกสวรรค์เนี่ยตรงนี้แหละครับที่เป็นอภิญญาสองอย่างคือบางทีเรียกว่าทิพจักสุกกับยะถากรร ม, มูปะคะอภิญญาจิพจักสุกุตาทิพยต า, ากรร ม, มูเหรียญตร์เป็นไปตามกรรมโดยเรียกว่าจุตูปะปัญญาเหรียจุติเลอบัตแต่ น, นี้ท่านเรียกในพระไตรปิฎกท่ า, านจะเรียกว่าจุตูปะปัญญา ก็เป็นนั้นเดียวกันนะจุดตูปปาตยานนะกลุ่มทั้งที่ประจักษ์สุคุมทั้งยะถากรร ม, มูปะกะาอภิญญยายอยู่ด้วยกันนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่ท่านซูซิมะถามคาตอบก็คือพระเหล่านั้นไม่รู้อย่างนั้นไม่สามารถจะเห็นการตายการเกิดของสัตว์ได้เอาความว่าไม่มีตาติในเรื่องนี้เลยก็จึงได้ถามถึงวิโมกสองอย่าง อันนี้เป็นการถามถึงอรูปวิชานดังข้อความว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายพวกท่านรู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี้ย่อมถูกต้องอารูปวิโมกอันสงบก้าร่วงรูปวิโมกทั้งหลายด้วยกายบ้างหรือหนอกายหมายถึงนามากายคือจิตใจนั่นเองดวงจิตที่สัมผัสถูกต้องคือบรรลุอรู ป, ปรวิโมกเป็นชื่อของรูปวิชานนะใน บาลีจริงๆในพระไตรปิฎกเนี่ยใช้คําว่าสันต์วิโมแกแปลว่าวิโมกอันสงบประณีตนี่แปลเอาความว่าเป็นอรูปิโมก ค, คืออรูปฌานอารูปฌานนั้นก้าวล่วงคือเลยสูงกว่ารูปฌานข้อนี้จึงถามถึงว่าท่านเองน่ะได้อรูปฌานหรือเปล่าผู้ที่ได้รูปฌานก็ต้องได้รูปฌานมาก่อน เหล่านั้นก็ตอบว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็คือ <c oughs> ชาญแปดก็ไม่ได้อภิญญาทั้งหลายก็ไม่มีและเป็นอาหานได้อย่างไรพอพระตอบอย่างนี้ท่านสุติมะาก็กล่าวว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายคาตอบนี้และการไม่เข้าถึงธรรมเหล่านี้มีอยู่ในเรือนในเรื่อง น, นี้ ในบัดนี้อาวุโสรเรื่องนี้เป็นอย่างไรกันแน่อันนี้เป็นคำถาม <c oughs> ที่ไม่ได้ออกมาในรูปปรักปลําว่าท่านโกโหกนี่พยากรณ์อาหารก่อนโกกอย่างนี้เป็นการพูดแบบปรักปลําก็เป็นการพูดทำนองไม่เชื่อทำนองทำหนิแต่คำพูดออกมาในรูปของการทั้งคาถามแล้วเรื่องนี้เป็นยังไงกันนะเหมือ น, นกโกหกทีนี้พระภิกษุท่านตอบว่างไง ท่านก็ตอบว่าท่านสุติมัผมทั้งหลายหลุดพ้นด้วยปัญญามีพระในฮารุนะหลุดพ้นด้วยปัญญาคือปัญญาวิมุตต็คือสุขาวพิปัสการผมเป็นอนหรหันตุสุขบ า, ายสุขข่าวพิปัสการหมายความอย่างนี้ <c oughs> ท่านสุติมัก็บอกว่าผมไม่เข้าใจเนื้อความแห่งกรรที่ท่านทั้งหลายกล่าวโดยย่อดโดยพิสดารได้ขอท่านทั้งหลายจงกล่าวแก่ผม เท่าที่ผมจะพปรเข้าใจเนื้อความแห่งคาที่ท่านทั้งหลายกล่าวโดยย่อนี้โดยพิสดารเถิดคือขอร้องให้อธิบายผมฟังแล้วผมไม่รู้ช่วยอธิบายให้ผมเข้าใจดีก็ยังดีที่ท่านยังรักที่จะฟังคําอธิบายไม่ลุกหนีไม่ปรฏิษบุริยปฏิเสธแต่ก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเหล่านั้นก็ฟังดูแล้วเนี่ยท่านทำไมถึงไม่อธิบายอะไรดูนะ พระวิสุทธ์ก็กลา่าวก็กล่าวว่าท่านสุสีมาท่านพึงเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ตามแต่ผมทั้งหลายก็หลุดพ้นได้โดยปัญญาเนี่ยนี่คือคอาอธิบายก็คือไม่ได้อธิบายมมืจะเข้าใจแล้วไม่เข้าใจผมก็หลุดพ้นเอาผมดหละไม่จะเรื่องคุณจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจไม่ทําไม่ผมไม่หลุดพ้นแหมพูดแล้วเหมือนพูดแบบอันตรธานนะแต่โยมพระเทพโยมอย่างนี้ต่อปัญหาคนอย่างนี้ก็ ก็เลือดร้อนนี่เลยตอบแบบสุ ข, ขากีปสัสกาจริงๆก็ตอบนี้บอกมันไม่เกียกเก่ยวกับคุณไม่เกี่ยวกับคุณผมเ็ส่วนผมคุณส่วนคุณคุณจะเชื่อคุณจะเข้าใจเชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ตามเข้าใจก็ตามไม่เข้าใจก็ตามผมหลูดปพป้นผมก็แล้วกันนี่ก็พึ่งไม่ได้พึ่งคําตอบไม่ได้ท่านสุซีมาก็เลยลุกจากอาสนะ แล้วก็ไปฟาพระผู้มีพระภาคตึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคนั่งณที่โคนตัวทั้งหนึ่งแล้วก็ได้กราบทูลถ้อยคําที่สนทนากับพิสูจน์เหล่านั้นทั้งหมดแด่พระผู้มีพระภาคเน่าล่ะพระพุทธเจ้าจะทรงอธิบายละอเราก็ไปดูคําอธิบายของพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสูดสีมะ ทำมาถีติเกิดก่อนนิพพานยานเกิดภายหลังพระสุสีมากราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าข้าพระองค์ไม่เข้าใจเนื้อความแห่งคำที่พระองค์ตรัสไว้โดยย่อนี้โดยพิสดารได้ขอพระผู้มีพระภาคจงตรัสแก่ข้าพระองค์เท่าที่ข้าพระองค์จะพึ่เข้าใจเนื้อความแห่งพระดำรัสที่พระองค์ตรัสโดยย่อได้โดยพิสดารเติด ก็นิดตอบแบบผู้เทศสั้นๆท่า น, นก็รู้ว่าตอบแล้วไม่เข้าใจแต่ต้องการจะอธิบายและท่านรู้ว่าถ้าอธิบายต่อไปแล้วเนี่ยสุสีมะจะเริ่มเข้าใจและความเข้าใจนั้นจะไม่ใช่เข้าใจแค่ในภูมิมาริยธรฟังธทำแบบเข้าใจแล้วก็ความอย่างลึกของญาณเนี่ยจะจับลึกเข้าไปถึงภาวะธรรมคือธรรมดาคนเนี่ย เมื่อฟังเรื่องยากๆเรื่องไม่เข้าใจแล้วมันจะมีเป็นสองพวกต่างสมัยก่อนสมัยวิทยาลัยนะจะมีสองพวกเหมือนเดียวนี้พวกหนึ่งคือฟังไม่เข้าใจแล้วลุกหนีเลยไม่มาอีกเลยเอสนี้เป็นยาขมมอใหญ่ไม่ไม่ชอบการท้าทายไม่ทนต่อการท้าทายไม่ทนวิสุทธคือพวกที่ไม่มีวิสัยทางปัญญาแต่พวกที่มีวิสัยทางปัญญาจะเป็นพวกที่ชอบ ตาตายเรื่องใหญ่ๆอย่างสุสีมาในเป็นพวปัญญาจริตเมื่อได้ฟังเรื่องไม่รู้ก็พยาวยานจะรู้พระพุทธเจ้าท่านรู้ท่านก็ค่อยๆให้รายละเอียดไปโดยลำดับก็ขอให้อธิบายถึงพระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรต่อไปตรัสว่าดูก่อนสุมาเธอจะเข้าใจหรือไม่ก็ตามโดยแท้จริงแล้วทำมาธิยานเกิดก่อนนิพพานญาณเกิดทีหลัง ตอบตำราเดียวกับลาแต่ว่าปลาอง์นั้นตอบแล้วไม่ตอบไม่ขยายอตรงนี้นะท่านบอกว่าความเป็นจริงเป็นอย่างไรนะฮะก็เป็นอยู่อย่างนั้นไม่ขึ้นอยู่กับความเข้าใจหรือไม่เข้าใจของใครใครจะเข้าใจความเป็นจริงว่าอย่างนั้นหรือไม่ความจริงอย่างนั้นไม่เดือดร้อนแล้วก็ไม่ทําลายตัวเองเพราะความไม่เข้าใจของคนมันไม่เหมือนธุรกิจ ไอ้ธุรกิจเนี่ยถ้าเราทำทำแล้วคนก็ไม่พอใจว่าธุรกิจของเราคืออะไรไม่สนใจว่าธุรกิจของเราน่าสนใจไม่มาเป็นคู่เคาะคู่ลูกค้าของธุรกิจเราธุรกิจมันอยู่ไม่ได้ต้องเจงอย่าพูดงี้ทําธุรกิจพูดงี้ไม่ได้คุณจะเข้าใจไม่เข้าใจเนี่ยเราไปขายสินค้าลูกค้ามานิดต่อแล้วพูดอย่างนี้ครับเจงเลยแต่ถ้าธรรมะเนี่ยพูดได้แต่ว่าเวลาจะนําคนมาสู่ธรรมะเนี่ยก็จะมีบางประเภทก็ตั้งไปโอให้เข้ามา บางเพศก็ไม่โหยอย่างนี้ท้าท้าทายท้าทายในลักษณะเหมือนดููกอะไรในพวกพวกฉล า, าดหรือบางคนเนี่ยเขาฮึดฮึดสูอย่างสุสีมะเนี่ยเป็นประเภทฮึดสูชอบท้าทายตัวนี้คำว่าธรรมธีติยานเกิดก่อนนิพพานยานเกิดทีหลังคืออะไรธรรมธีติยานถ้าแปลตามชื่อก่อนเนี่ยแปลว่ายานที่รู้ความ ตั้งอยู่ของธรรมตรงนี้ไม่ใช่ออป า, านะทกนาธรรมมีดีเนี่ยไม่ใช่ปาทกนาะแต่หมายถึงธรรมที่ตั้งอยู่ในย่อมมีเหตุมีปัจจัยทําให้เกิดขึ้นทําให้ปรากฏขึ้นออันนี้ว่าโดยไปนชนะแต่ว่าโดยเนื้อความนั้นธรรมมณีดียานเป็นชื่อของวิปัสสนาญาณคือการทําภาวนาใน สายาวิปัสนาภาวนาเนี่ยจะมียานเกิดขึ้นแบบสั้นๆอยู่สองช่วงช่วงหนึ่งคือธรรมธิติยานยานที่เห็นความนามรูปที่ปรากฏโดยเหตุด้วยปจยัจจัยไงนะตั้งแต่ยานหนึ่งยานสองสามไปจนกระทั่งถึงสังขารปเปขายานจนถึงอนุโลมมัยามคือบริกรรมบุ ญ, ญาณอนุโลมขณะนะทั้งสามนั่นเรียกว่าเป็นธรรมธิิยานหมดนิพพานายานคือยานที่ รู้นิพพานธรรมธีติเนี่ยถ้าจะเอาพูดแบบภาษา ง, ง่ายๆคื อ, อนามรูปญาณรู้นามรูปนิพพานก็คือปณิพานนิพพานญาณคือญาณที่รู้นิพพานวิปัสสนานั้นมีนามรูปเป็นอารมณ์คือรู้นามรูปมัคคิญาณ น, นั้นรู้นิพพานมีนิพพานเป็นอารมณ์ก็จริงไหมล่นนะครับว่า วิปัสนาญาณกับมัคคายานใครเกิดก่อนใครมาก่อนพิปัสนามาก่อนนิพพานญาณมาทีหลังอือันนี้พระพุทธเจ้าทรงประสงค์จะแสดงเริ่มแสดงอรหันต์ฝ่ายสุ ข, ข ว, วิปัสสกาท่านลืมเอาตรงนี้เลยไม่พูดถึงเรื่องสมาทีธิมีพระสูตรสูตรหนึ่งที่ผมไปสำเนามาประกอบ แต่ว่า ม, ม, ม, ม, ม, มันไม่ได้แจกให้เนี่ยนะเพื่อจะเทียบให้เห็นว่า <c oughs> ก็จะอ่านให้ฟังนิดหน่อยเป็นสูตรสักสองหน้ากระดาษหน้ากระดาษเดียวลองเราฟังนะเพื่อจะเทียบกับสูตรนี้แล้วจะเห็นไอ้เส้นทางของสองสูตรนี้ต่างกันสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณท น, นโคทารามใกล้กรุงกบิลพัทแกลสักกาจนบท สูตรนี้มาจากพระไตรปิฎกเล่มยี่สิบข้อห้าร้อยสิบสามครับก็สมัยนั้นแหลพระผู้มีพระภาคทรงเป็นไข้หายจากความไข้ไม่นานครั้งนั้นแลเจ้ามหาสากยะจึงก็เป็นญาติของพระเจ้านะทีสะเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วประทับนั่งณที่โกรนตัวั้งหนึ่งอะสะเสด็จเข้าไปทำไมเราอย่านื้อเาไปเยี่ยมใครก็จะว่ายเยี่ยมก็ได้เหมือนกัน เรียกว่าเยี่ยมด้วยธรรมะไม่ได้เยี่ยมด้วยอามิอก็มาไปเฝ้าทัานและได้ทูลถามวา่าแต่พระองค์ผู้เจริญนาน ม, มาแล้วที่พระองค์รู้ทั่วถึงธรรมที่พระองค์ทรงแสดงอย่างนี้ว่ายานเกิดแก่ผู้มีใจเป็นสมาธิหาเกิดแก่ผู้มีใจไม่เป็นสมาธิไม่ รู้ไหมว่าท่านมหานามะสากยะเนี่ยเป็นอริยชนไหนเป็นอริยชนสักีตาคาบรรลุเป็นบาสกิตาคามีมานานแล้วอยากาไปปนกมหานามะในเบญจวัตรีนะ่ะนั่นเป็นละนี่เป็นโยค่าแต่พระองค์ผู้เจริญสมาธิเกิดก่อนยานเกิดที่หลังหรือว่ายานเกิดก่อนสมาธิเกิดที่หลัง ลำดับนั่นแหละท่านทรานนลได้มีความดำริว่าพระผู้มีพระภาคทรงเป็นไข้หายจากความเป็นไข้ไม่นานก็จ้าสาคยะนี้ทูลถามปัญหาที่ลึกซึ้งกับพระผู้มีพระภาคถ้ากระไรเราควรเอาเจ้าสักยะมหานามเนีย่ยลีไปในที่ส่วนข้างหนึ่งแล้วแสดงธรรมนี่พระโสดาบานจะโปรดพระตะกาศ า, างขางครั้งนันแหละท่านท่านนลจับ พระพาหาประเจ้าหมานามะนำาหลิกไปหน้าที่ควรส่วนครั้งหนึ่งแล้วกล่าวกับหมานามะสาคยะว่าดูก่อนท่านหมานามะพระผู้มีพระภาคตรัสศีลเป็นของพระเสข้าไว้ก็มี ตรสัสศีลที่เป็นของพระเสกขาไว้ก็มีตรัสสมาธิที่เป็นของพระเ throughout throughout สกขาไว้ก็มีตรัสสมาธิที่เป็นของพระเสกขาไว้ก็มีตรัสปัญญาที่เป็นของพระเสกขาไว้ก็มีตรัสปัญญาที่เป็นของพระอาเสกขาไว้ก็มีโลมะเสกขา ร, ารสสือะไรตาหลานนะนอกนั้นท่ำกวนั้นเรียกว่าพระเสกขาดูก nah ่อนมหานามะก็ศีลที่เป็นของพระเสกขาเป็นจะไหนอ่า ก็ผมเขาอยากนให้จบพิสูจในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลสมาทานศีลศึกษาอยู่ในศีลทั้งหลายดูก่อนหมานามะนี่เรียกว่าศีลที่เป็นของพระเสกขะดูก่อนหมานามะก็สมาธิที่เป็นของพระเสกขะเป็นชนิดดูก่อนหมานามะพิสูจในธรรมวินัยนี้สํางัดจากกามเนี่ยค่ะจนกระทั่งได้บรรลุปรตูมชานจนบรรลุจตุตจานอยู่ ดูก่อนมานามะนี้เรียกว่าสมาธิที่เป็นของพระเสกคะดูก่รหมานามะก็ปัญญาที่เป็นของพระเสกคะเป็นอย่างไหนดูก่อนมานามะอีกสนในธรรมวินัยนี้รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกจนกระทั่งถึงรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ปฏิปทาถึงความดับทุกอรย阿里萨四นะครับอันนี้เรียกว่าเป็นปัญญาของพระเสกค่ะดูกรหมานามะพระอร阿里萨五นั่นแหละ เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลอย่างนี้ถึงพร้อมด้วยสมาธิอย่างนี้ถึงพร้อมด้วยปัญญาอย่างนี้ทําให้แจ้งซึ่งเจตดยมุตตปัญญาวิมุตต์ธนาระวัตไม่ได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ดูก่อนมานะมะพระผู้มีพระภาคตรัสศีลที่เป็นของพระเสกาว้ก็มีของพระอาเสกาวัยก็มีสมาธิของเสกาก็มีของอเสกาก็มีปัญญาของเสกาก็มีของอาเสกาก็มีด้วยประการอย่างนี้ตัวนี้เนี่ยท่านตอบบ้าง ถ้าถามว่าสมาธิกับปัญญาใครเกิดก่อนสมาธิตัวนี้หมายถึงฌานนะใครเกิดก่อนสมาธิกับปัญญาใครเกิดก่อนปัญญาหมายถึงมากบนสมาธิเกิดก่อนใช่ไหมฮะท่านก็เลยขยายเป็นไตรกาเลยศีลเกิดศีลมาก่อนคือถ้าเป็นของพระเสกขาเนี่ยศีลมาก่อนสมาธิมาคือเราต้องทําตามลําดับหมืดเราจะไปเป็นประโสดาเนี่นะเราต้องสมาทานศีลเป็นแบบเป็นขั้นเป็นตอน ต้องทาอําฌา น, นญญาาาให้เกิดอย่างเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็ต้องทําปัญญาคือวิปัสนามาผลให้เกิดเนีไงนะอพอบรรลุเป็นพระอริยะแล้วเนี่ยศีลอยู่ตัวแล้วก็สมาธิก็อยู่ตัวปัญญาก็ค่อยๆเลื่อนทําปัญญาให้เกิดคือเป็นพระอรหันทีหลังก็ไอขั้นตอนก็เริ่มลดน้อยลงแต่ตรงนี้เป็นเป็น ความลึกถึงในทั้งหลักอันหนึ่งว่าอะไรที่เราทําใหม่ๆเนี่ยไอ้ความแยกส่วนทำเป็นลําดับขั้นตอนจะมีมากพอเราบรรลุธรรมสูงเนี่ยองค์คุณในการเจริญในธรรมการแยกส่วนจะมีน้อยลงจนกระทั่งเป็นพระหลานจะเกิดการสมบูรณ์รวมตัวเป็นของเรียกว่าเสมอหน้ากันทุมื่ออันนี้เป็นธรรมดาอบรรดาพระหลานเนี่ยคุณธรรมใดๆที่ทา่านมีก็มี มีพร้อมทันทีมีเหตุปีปัจจัยคุณธรรมข้อนั้นก็โผล่ตัวออกมาได้ทันทีเหมือนเหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์นี่นี้มาเทียบให้ฟังว่าสูตรนี้สูตรที่ผมอ่านให้ฟังที่ที่วสกัดสูตรเนี่ยเป็นการกล่าวโดยลำดับของอรหันต์ฝ่ายอุปโตภาคบิมุตสำหรับสูตรที่เรากำลังศึกษากันอยู่นี้เป็นการตอบแบบ อรหันฝ่ายสุขขะ์วิปัสสก์ระกุทธเจ้าจึงไม่ได้ทรงเอ่ยถึงสมาธิเอ่ยถึงวิปัสสนาเลยเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสว่าจะเข้าใจว่าอย่างไรก็แล้วแต่ธรรมธิทิยานเกิดก่อนนิพพานยานเกิดทีหลังนั่นเป็นข้อเท็จจริงของผู้ปฏิบัติเป็นอย่างนี้จากนั้นก็ได้ทรงตรัสอธิบายรายละเอียดตามคาขอร้อง ตรงนี้แหละครับเป็นการอธิบายวิปัสนาภูมิคือให้วิปัสนาแล้วก็เป็นการให้วิปัสนาแบบฟังไปปฏิบัติไปคือเวลาฟังไปปฏิบัติไปเนี่ยมันก็เหมือนกันเราอย่างที่เราฝึกสมาธิในม่สลิมอธิบายที่สตสมาธิเราอธิบายเป็นไปอย่างนี้นะเป็นแบบอธิบายแบบมุ่งปริยัตปริยัตแบบมุ่งแบบปริยัตโลลวนแต่้ารอธิบายแบบภาคปฏิบัติเนี่ย เหมือนกันเราอย่างที่ผมจะสอนที่จุลาในช่วงคําั่นสั่เรื่องการแผ่เมตตาก็จะสอนแบบปริยัติแบบปฏิบัติเนีย่ยพอพเข้าห้องอ่ะทุกคนหลับตาคนพูดก็หลับตาเนี่ยนะแล้ต่อไปนี้จะบรรยายเรื่องอานิสงค์ของหรือวิธีการแผ่เมตตาตามเมื่อความใ น, นประสูนี้แต่ละสูตรนั้นจะอธิบายบ๊กบบ๊๊นี้ไม่ได้ต้องอธิบายย้ําแล้วย้ําอีกอย่างเนี้ยแล้วให้คนในปฏิบัติตาม แผ่เมตตาต่างเนี่ยนะอะอย่างนี้แหละเป็นการให้บริยัติในรูปของปฏิบัติคนก็จะบรรลุทีนี้ในสมัยก่อนในเวลาพระพุธทธเจ้าทรงสแสดงถามบางพวกในทรงรู้ว่อาอย่าไปนั่งเสียเวลาให้ให้กรรมฐานแบบปฏิบัติไปด้วยเพราะพวกนี้ไม่ใช่เป็นพวกอุกติตัอยูต้องให้กรรมฐานแบบมุ่งปริยัติล้วนๆแล้วก็เสร็จแล้วก็ให้ไปเข้าป่าปฏิบัติกันเอง อย่างนั้นพวกหนึ่งแต่ว่าพวกไหนที่รู้ว่าบรรลุทำได้ท่านจะสอนแบบปฏิบัติในรูปประยะก็ทำให้เกิดการบรรลุไปโดยลำดับในระหว่างการฟังบรรลุคาทีไม่ต้องเก็บไปคิดเป็นการบา้านนี่เป็นพวกปกติตันยูนะฮะปกติตันยูเนี่ยก็มีเยอะบางคนก็สูตรสั้นๆบรรลุเดี๋ยวนั้น เข้าใจนะไม่ต้องพูดถึงเข้าใจเดยวนั้นบรรลุดเดยนั้นวงพวกเข้าใจแล้วว่าใจแล้วแต่ไม่บรรลุ <c oughs> <c oughs> นี่คนลน้ายๆกับตอนโปรดเบญจวัคคีวันนั้นบทเทศต่อไปนี้เป็นภาคปฏิบัติที่ทรงให้กับสุสีมาก็ตรัสว่าสุสีมา อ, อผมผมให้ดูส่วนห ย, ยาบๆของบทเทศก่อนนะส่วนแรกเนี่ยเป็นการแสดงขันห้าดโดยสังเขต แล้วก็ส อ, อธิบายโดยความเป็นไตร ล, ลักษณอนิจจังตุกขังอนัตตาจากนั้นแสดงขยายความคือกระจายขันออกไปเป็นลักษณะสิเอแสดงรายละเอียดเมื่อเวลาฟังเนี่ยพระสุตติมาก็จะสอดใส่จิตออกไปหารายละเอียดว่าขันที่เป็นอดีตก็ดีปัจจุบันก็ดีอนาคตก็ดีภายในก็ดีคือของเราก็ดีภายนอกของคนอื่นก็ดีแล้วก็ไปจนถึงวิญญาณขัน แต่เวลาเราเร า, เราพ์มเป็นสูตรเนี่ยเราต้องจำเป็นต้องย่อเนความแต่เวลาพระุทธเจ้าเทศหรือการจะเทศแบบปริแบบปฏิบัติเนี่ยจะต้องพูดขบนซ้ำแล้วซ้ำอีกนะฮะคนจะได้ดื่มดัำผู้ฟังจะได้ดื่มดัำและจากนั้นก็จึงค่อยๆแสดงขยับรายละเอียดไปโดยลำดับเดีด๋ยวเราดูเนื้อความจากประเด็นที่ท่านจะตรัสถึงขัน5ห้าโดยสังเกตแล้วก็ สัมดงความเป็นใจรักลงไปจัดว่าสุสิมะเธอจะเข้าใจเนื้อความข้อนั้นเป็นชนไหนรูปเทียงหรือไม่เทียงการจริงคำพูดคำเนี้ยเชื่อไหมว่าถ้าเราฟังอย่างเวลาไปปฏิบัติแล้วก็เปิดเต็ปการปฏิบัติอย่างอย่างที่ไปอินเดียเออปกติเนี่ยเวลาฟัง ทฤษดีในเวลาที่ผมเบื่อที่สุดที่ปฏิบัติสักสุรอย่างปิดวันนี้น่ะเบื่อที่จะฟังที่สุดไม่ไม่ไม่ไม่มเื่อกีได้อารมณ์ดีๆพอมาฟังไปแยกกันแล้วก็รู้สึกเหมือนแต่ว่าไปปฏิบัติสามสิบวันนี่กับดีที่สุดอกับแตละปั๊บเป็นบทเทศน้นๆแบบเส้นมุ่งปฏิบัติในการนั่งหลับตาคําพูดแต่ละคำหนึ่งมันเป็นคําที่เราอาจจะเคยได้ยินหรือดูเป็นธรรมดาเลยว่าความรู้สึก พูดไปเนี่ยดิ่งลึกเนี่ยมันไม่เหมือนกันอย่งางบอกว่าโลดไม่เที่ยงเนี่ยความรู้สึกดิ่งลึกของใจไม่เหมือนกันเลยความรู้สึกตอบรับความเข้าใจความทราบซึ่งแตกต่างกันซึ่งตรงนี้มันให้กันไม่ได้เราเองต้องให้ตัวเองหรือต้องมีอะไรบางอย่างที่เราพร้อมที่จะให้ตัวเองไม่ได้ฟังธรรมะอย่างกัมเรียขงสุติมาท่านมีบา ร, รมีฟังว่า รูปังอานิจังเนี่ยรูปเทียงหรือไม่เทียงความสอดสายของปัญญาความดื่มด่าของปัญญาแตกต่างกันเลยลก็กราบทูลว่าไม่เทียงพระเจ้าค่ะที่ตอบว่าไม่เทียงไม่ไม่เคยได้วังเรื่องนี้มาก่อนแล้วก็ไม่ได้ตอบเรื่องหน้าของความจําตเรื่องหน้าความจำํำต่อๆไม่เทียงจบ แต่ว่าพระสุทีมาเนี่ยท่านมองลึกเข้าไปเลยว่าเออมันไม่เพียงเห็นความไม่เที่ยงก็จึงตอบว่าไม่เทียเท่ยงเหมือนถามว่าในกระเป๋ามีอะไรหรือเปล่าเราว่ามือคลำไม่มีครับอะไรเงี้ยหรือมีครับตอบไปกระดับ <c oughs> ถามต่อไปว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งใดก็คือรูป ที่ถามมาแล้วสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขคำว่าทุกข์สุขตรงนี้ไม่ได้หมายถึงเวทนาแต่หมายถึงภาวะที่คนอยู่ได้หรือทนอยู่ไม่ได้คือเป็นทุกขลักษณะไม่ใช่ทุกขเวทนาก็ตอบว่าเป็นทุกขพระเจ้าค่ะ ตอบโดยอารมณ์ปฏิบัติจับลึกลงไปโดยลําดับแล้วก็ถามถึงเวทนาอ่าต่อไปยังไม่จบยังไม่จบกระบวนการของพระไตรลักษณ์ถามว่าสิ่งใดไม่เที่ยงมีความแปรปลุนเป็นธรรมดาสมควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นตัวตนของเราตรงนี้เป็นอนัตตาครับอนัตตลักษณะ ก็ตอบว่าไม่ควรเลยเนี่ยตอนตอบเนี่ยสิ่งที่เรียกว่าปาหาตัดทางกับอาหารเกิดขึ้นตอบด้วยอำนาจของตัดทางกับอาหารความรู้สึกปล่อยวางเหมือนว่าเรากำลังยึดถืออะไรอยู่สักอย่างหนึ่งแล้วก็มีพระมาโปรดบว่าเรื่องนี้ควรจะยึดถือหรือไม่วาทีเราก็บอกก็ไม่ควรตอบให้รูเปเหตุผลแต่ว่าความรู้สึกไม่ได้ตอบไปความรู้สึก แต่ว่าถ้าตอบด้วยความรู้สึกเราเออไม่ควรความรู้สึกก็ปล่อยด้วยท่านก็ถามไล่ขันเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ด้วยเฉยเยสัญญาความจำหมายสังขารความคิดปรุงแต่งแล้วก็วิญญาณการรับรู้เที่ยงหรือไม่เที่ยงก็พิจารณาเป็นขันขันเป็นขันขันไปนะโดยลำดับแล้วก็ ถามต่อไปโดยลําดับด ว, ว่าเทียงเป็นสุขเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นไม่เทียงเป็นทุกข์แต่โภคธรรมดาสมควรจะตามเห็นด้วยตันหาทิฏฐิว่านั่นเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราหรือไม่ก็ตอบว่าไม่ควรอตรงนี้เนี่ยถ้าจะถามว่าท่านสุสีสมะพิกสุจะเริญวิปัสนาด้วยสติปัฏฐานอะไรเรานึกถึสียงสติปฐานสี่ ไม่ใช่กายานุปัสสนาสติประฐานไม่ใช่เวทนานุปัสสนาสติประฐานไม่ใช่จิตตานุปัสสนาสติประฐานเป็นธรรมมาขันธบัพอัญจถนบัพก็มีขันธบัพก็มีคมวยขันธ์ห้าสังเกตได้ว่าพวกมีปัญญาจริตเนี่ยจะทำขันธ์้าจะจะพิจารณาได้ขันธ์ห้า แล้วมีปัญญาจริตเป็นพิเศษเลยเป็นพวกครูกติตันยูจะฟังขันหน้าอย่างนี้แล้วก็บรรุในที่ฟังธรรมอย่างเช่นพระเบญจวัคคีเป็นต้น <c oughs> จากนั้นก็ได้ทรงตรัสขยายความต่อไปอีกก็เท่ากับว่าในช่วงแรกเนี่ยถ้าจะจัดในระดับของปริญญาแล้ว ก็เป็นขั้นของยาตาปริญญาเป็นตัวออกหน้านะไอการละลายแล้วก็เป็นตัวตามหลังยาตาปริญญาคือการรู้สภาวะของนามรูปตามความเป็นจริงในช่วงถัดไปเนี่ยจะเป็นขั้นของทีรนปริญญาคือการพิจารณาเห็นสภาวะของนามรูปโดยอาการละเอียดชัดขึ้นการละลายก็เป็นส่วนตามหลังอยู่ ตลัสว่าดูก่อนสุสีมะเพราะเหตุนั้นแหลรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตก็ตามอนาคตก็ตามปัจจุบันก็ตามภายในก็ตามภายนอกก็ตามหยาบก็ตามละเอียดก็ตามอยู่ในที่ไกลที่ใกล้ก็ตามทั้งหมดรูปทั้งหมดนั้นอันเธอเพึงเห็นด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเราเราอันนั่นไม่ใช่ตัวตนเราไอ้ตรงนี้ครับที่ คนมีปัญญาเนี่ยไอลักษณะที่จะโผล่ออกมาเป็นจุดหมายใหญ่คืออนัตตาปตายัก์นี่ก็ไม่ใช่ไม่รู้แต่ตัวออกหน้าเรื อ, อนัตตาปตายักที่รู้ก็ยังโกงอยู่เ อ, อตรงนี้นะถ้าใครเป็นคนปฏิบัติก็จะเข้าใจได้เลยว่ามาอ่านเรื่งพวกนี้นะคนปฏิบัติถือว่าจะปฏิบัติอยู่กับตัวเป็นหลักเนี่ยแต่เวลารู้แล้วความคิดมันจะแปรความรู้สึกเนี่ยนะ่ะ ความรู้สึกจะแผ่ขยายไปถึงคนอื่นถึงอนาคตถึงอดีตรครบทั่วหมดเลยไม่ได้อยู่ที่ใดที่เดียว <c oughs> เพราะว่าเมื่อก่อนถ้าว่าเราเพียงว่าฟังฟังและคิดๆเอาเอ้ไปเวลาปฏิบัตินี่จะไปรู้คนอื่นได้ยังไงเรารู้ว่าจะได้อะไรขึ้นมานะจะไปรู้อดีตจะไปรู้ทําไมปฏิทินพัฒนาต้องอยู่ที่ปัจจุบันดีจะไปรู้อนาคตทําไมแต่เวลามันลงลึกเนี่ย้ตัวเราปัจจุบันนี่เป็นตัวตั้ง และการจะรู้ปัจจุบันได้อย่างแจ่มชัดเนี่ยมันจะอธิบายด้วยการ ไ, ไปพันโหรกอดีตดึงอดีตข้ามาเป็นตัวเนีน่ว่าแม่อดีตเขเป็นอย่างนี้แม่นาคตเขเป็นอย่างนี้ <c oughs> การที่เราไปรู้อดีตรู้อนาคตรู้คนอื่นมันทําให้ปัจจุบันหรือตัวเราเนี่ยชัดเจนปล่อยวางมากยิ่งขึ้นและไม่เรียกว่าไม่ดิ้นรนที่จะไปพึ่งคนอื่นจช่นว่าเออตัวเราเป็นอย่างนี้เราต้องพึ่งคนอื่นหากคนอื่นไม่ได้พึ่ง <c oughs> ปัจจุบันเราเป็นอย่างนี้เราต้องเอาอนาคต ต้องไปเกิดเป็นพรมได้เกิดเป็นดาวดาจะเอาเป็นที่พึ่งความคิดแส่อย่างเนี้ยมันไม่มีเมื่อมันมันขยายไปถึงรอบตัวหมดแล้วเลยเรียกว่าอนลับคือว่าเหวไม่รู้จะหันไปทางไหนไอ้ ว, าวอ้าเหวแค่ดีมันก็ไปหาทางออกทางอื่นทางออกนั้นยืนทางนิพพานเพราะฉะนั้นมีศาสนาลงลึกเนี่ย จะรู้ถั่วอย่างนี้แล้วทำอดีตทำปัจจุบันทำภายในไปนอกให้เสมอภาคกัน <c oughs> แม้เวทนาก็วิเคราะห์รอบด่านกำหนดรู้รอบด่านแม่สัญญาแม่สังการแม้วิญญาณก็รู้รอบด่านและทั้งหมดนี้ล้วนแลแต่ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นของสูงหมด <c oughs> นะอันนี้ก็เป็นช่วงของตีระปริญญาพิจารณาสภาพของนามโรกโดยละเอียดเป็นตัวออกหน้าพอมาอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงของปาหานะปริญญาคือการละเป็นตัวออกหน้าแล้ว <c oughs> การละกิเลสดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสและท่านสุติมาได จเจริญจิตตามไปตรัสว่าดูก่อนสุสีมาอรลีสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ <c oughs> ย่อมเบื่อหน่ายแม่ในรูปแม่ในเวทนาแม่ในสัญญาแม่สังขานแม่ในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนังย่อมหลุดพน้นตรงนี้ <c oughs> อ่านให้จบแล้วผมจะแบ่งให้ดูว่าเป็นยานอะไรเ <S ess gy> มื่อหลุดพ้นย่อมมียานอย่างรู้ว่าหลุดพ้นย่อมรู้ชัดว่าชาติแล้วพระอาจารย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำําเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีตรงนี้ท่านแสดงวิเลิกตั้งแต่วิปัสสนาญาณที่สงเคราะห์เข้าเป็น ป า, าปริยผมจะเขียนโยงมาจากท ร, รมัธยีติท ร, รมัธยีติญาณญานหนึ่งญานสองญานสามแล้วก็ ยานสำหรับยานสี่นะอันนี้ก็เป็นเป็นปริญญาหนึ่งยานห้าถึงยานสิบสองมัคคายนี่เป็นยานที่อะไรสิบสี่ใช่ไหมโคตรปูอุยานไม่นักแล้วก็ยานมัคคยานยานที่สิบสี่ผลไะยานยานที่สิบห้าปัจเจเวชนายานยานที่ส6บหก เขียนเพื่อให้กำหนดได้ง่ายอันนี้เป็นนิพพานธรรมธิฏิยานกนารนิพพานอายันต้องเขียนนั่นเป็นหน่ายตั้งตั้งตั้งประเด็นนิพพานอายานสันธรรมธิฏิยานนิพพ า, านายัแบ่งเป็นสองช่วงนะ ทำมาสีติยานคือวิปัสนาญาณที่ช่วงแรกนีเป็นยาตะบริญญาสุยานหนึ่งสองสามเวลาท่านอธิบายว่ากันหน้าเป็นอนิจังทุกขรั้งนั้นตาแบบยอ่อเพื่อให้ได้ยาตาปริญญาแล้วก็ ตอนที่กระจายขันห้าเป็นว่าลูกใลกล้ลูกไกลลวนแต่ว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราอันนั้นเป็นตีรณาปริญญาที่ที่ผมอธิบายเมื่อกี้นะตีรณปริญญาสาหรับอายานห้าถึงยานสิบสองเป็นปาหาหนาปริญญามัรคยานก็เป็นปหาหนานปริญญาด้วยเหมือนกันมันขามเกี่ยวกันปริญปอจัดเป็นปริญญาเนี่ยมันข้าบเกี่ยวกัน แต่ว่าตามในพระสูตรเนี่ยเวลาท่านพูดถึงวิญญาณอย่างใดอย่างหนึง่งที่เป็นอดีตปัจจุบันอานาคตเนี่ยไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ใช่เราเนี่ยนะครับอันนั้นยังอยู่ในเกณฑ์ของวิปัสนาญาณคือปานะปริญญาเนี่ยมีสองภูมิโลเกียภูมิวิปัสนาแล้วก็โลกตุตละคือในมรรคเป็นมานะปริญญาด้วยแต่ในพระสูตรเนี่ยท่านแสดงปานะปริญญาไว้ในระดับของวิปัสนา ท, ที่มาจบตรงที่วิญญาณสิบเอ็ดอาการมีอดีตเป็นต้นไม่ใช่ตัวใช่ตนและหลังจากนั้นจึงมาทรงแสดงคืบเข้าไปหารายละเอียดว่าย่อมถ้าย่อมเบือนายเบือนายนี่เป็นปานะปะานะคือความรู้สึกละกลายนายแนงในนามในรูปแล้วก็คาบขึ้นไปถึงมรคน อาจจะต้องเขียนมาให้ใหม่คราวหนะ้าไม่ได้เขียนมาก่อนเลยยุ่งๆไหนนะเอาเป็นว่าเรากลับมาดูตรงนี้ก่อนครับที่ขึ้นหัวข้อว่าธรรมธิทิยานิปา น, านัญญิมุติยานเนี่ยนะในคําว่าย่อมเบื่อนนายเป็นชื่อของวิปัสสนาที่เป็นปะหานะปาลินญาตรงนี้นะครับย่อมเบื่อนนายแล้วก็ย่อมคลายกำหนับเป็นชื่อของมร ที่บาหลีใช่ไหมว่าวิราคะ่ะเป็นชื่อของมรรคมรขยานย่อมหลุดพ้นเป็นชื่อของผลแล้วก็เมื่อหลุดพ้นมียานอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วเนี่ยเป็นชื่อของปัจจเวกปัจเจเวขณะยานรู้ว่าเราหลุดพ้นแล้วอนาคตเราไม่ต้องเกิดอีกแล้วเมื่อที่บวชชาติสิ้นแล้วพระมาจานทร์อยู่จบแล้ว ผมจะจบการบรรยายพระสูตรในครั้งนี้ไว้ที่ตรงนี้ก่อนแล้วคราวหน้าจะมาขยายความตรงนี้ให้อีกทีหนึ่งแล้วก็จะอธิบายส่วนที่เหลือของพระสูตรนี้ต่อไป ถ, ถ้าลำบากก็ยังไม่ต้องเขียนนะเอาไว้คราวหน้าทำเป็นเอกสารแผนผังมาให้กันละกันเดี๋ยวเราพักกันสักรู้หนึ่งมา อธิบายพระทิธรรมกันต่อในช่วงหนึ่ง